สุพศรทรีขอต้อนรับพระอาจารย์ครกฤิ์สุธิพโรนะครับเมื่อสครูดีพวกเราได้ดูวิทัศจากการที่ท่านบรรยายทำทุไนโชว์ก็คงอยากจะสมาชิกทุกท่านอยากจะฟังต่อไม่ว่าจะเป็นโสดาบันหรืออานาปนสติฮะ <c oughs> ก็คงจะฝากพระอาจารย์ ช่วยขยายความในส่วนของอนาปนสติหรือโสดาบันซึ่งหลายท่านก็คงอยากจะเข้าถึงอย่างที่าทางไนชววที่ท่านได้บรรยายทำไปแล้วนะครับครับอ ข, อขอเชิญพระอาจารย์ครับทีเ่เรียนก่อนนักอย่างทุกคน <c oughs> ในเรื่องของอ า, า, านาปนสติเนี่ย <c oughs> จะเป็นเป็นมรรควิธีที่พระศาสดาเนี่ยสรรเสริญไว้มากแล้วก็บอกนิสง์ไว้มากนะก็พระองค์เนี่ยเรียกอานาปานสติอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตคิดดูว่าเป็นเครื่องอยู่ของพระพรุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเป็น อริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลผู้ที่จะเป็นอริยบุคคลเนี่ยต้องใช้เครื่องอยู่ด้วยอานาปานสติพระองค์บอกว่าพระองค์อยู่จาพรรษาการเกือบทุกครั้งเนี่ยด้วยอนาปานสติแสดงว่าตลอด3เดือนอย่างเนียจะเข้าพรรษาเนี่ยตลอด3เดือนผู้เจ้าจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดเลยนี่เป็นการตอบย้ำไม่เห็นว่าผู้เจ้าให้ความสาคัญกับอนาปานสติค่อนข้างมากนะ <c oughs> พระศาสดาเน้นในในเรื่องใดให้ความสําคัญในเรื่องใดเนี่ยพระองค์บอกว่ามหาชนทั้งหลายเนี่ยจะเดินไปตามนั้นมหาชนทั้งหลายเนี่ยจะพึ่งประพฤติปฏิบัติตามที่พระศาสดานเนี่ยสรนเสริญเอาไว้นั้นผู้เจ้าก็จะสรรเสริญมัควิธีอย่างเช่นสติปัฏฐาน4อาอนาปานสติอย่างนี้ <c oughs> อนาปานสติเพียงอย่างเดียวเนี่ยสามารถ ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงมรรคนิพพานได้เลยนะซึ่งบางคนก็มองว่าเอ๊ะนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนย่มันมันจะไปได้มรรคลได้ยังไงนะแต่จริงๆมันมีมันมีความลึกซึ้งอยู่ในนั้นเวลาเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ย <c oughs> เราจะรู้จักธรรมชาติที่ทำงานอยู่ด้วยกันคือลมกับผู้ที่รู้ลม ลมยังไม่มีความรู้อะไรแต่ใครเนี่ยเป็นคนที่รู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกอย่างนี้นั้นธรรมชาติตรงเนี้ยที่กำลังรู้ว่าลมไหลเข้าไหลออกเนี่ยตรงเนี้ยคือวิญญาณหรือจิตหรือใจของเรานั้นบางทีเอ๊ะใจเราอยู่ไหนเราจะสังเกตได้ยังไงว่าใจเป็นยังไงก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจจะรู้ว่าใจเนี่ยคือผู้รู้เฉยๆ ผู้ที่รู้เฉยๆกับลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยใจหรือจิตหรือวิญญาณนะและผู้เนียที่ <c oughs> มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่การเกิดดับมันรวดเร็วมากจนทาให้เราเนี่ยไม่เห็นการเกิดดับมองไม่ออกว่ามันเกิดดับเพราะฉะนั้นพระศาสดาต้องการให้เราเห็นจิตเกิดดับเพื่อให้รู้ว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเรา ก็เลยให้เอาจิตเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจ ouch. พอจิตอยู่กับลมหายใจปั๊บเนี่ยโดยธรรมชาติของจิตจะไม่อยู่นิง่งจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดการดับนั้นเวลาเราจิตมาอยู่กับลมหายใจปั๊บเนี่ยจิตก็จะเคลื่อนออกไปนะไม่อยู่นิง่งพอเคลื่อนออกไปปั๊บเนี่ยเราเอาจิตกลับมารู้ลมอีกครั้งหนึ่งสักพักเดี๋ยวมันเคลื่อนอีกลเรากลับมาอยู่กับลมปั๊บเดี๋ยวมันเคลื่อนอีกล ทำให้เรารู้ว่าจิตเนี่ยไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนตลอดงนั้นโยมจะนั่งสมาธิไปกี่ปีก็ตามจิตก็จะเคลื่อนไหวอย่างนี้ตลอดกลับไปกลับมาพี่เจ้าให้สังเกตอีกว่าขณะที่จิตมีการมากันไปกลับไปกลับมาเนี่ยจริงๆแล้วในความเป็นจริงถ้าสมาธิเราดีเราจะเห็นจิตเนี่ยมีตายและมีเกิดนะอ่า จิตจะมีการเกิดการดับแต่เราจะไม่เคยเห็นเพราะว่ามันละเอียดมากในความละเอียดของมันขนาดนี้ทำให้เราเนี่ยมองไม่ออกว่าโอ้จิตมีการเกิดการดับเวลาจิตเคลื่อนไปสู่อารมณ์นี้เนี่ยเราจะคิดว่าจิตเนี่ยเป็นผู้ที่วิ่งไปสู่อารมณ์นี้เวลากลับมาเราก็นึกว่าจิตดวนี้วิ่งกลับมาสู่อารมณ์นี้จริงๆไม่ใช่จริงๆความจริงเนี่ย จิตที่ไปสู่อารมณ์เนี้ยแล้วกลับเข้ามาเนียจะมีการเกิดการดับตลอดเวลานะผู้เจ้าเรียกการมากันไปพระองค์บอกอาคติคติยาอสติจูตูป ป, ป, า, ปาโตนโหติถ้าการมาการไปไม่มีการตายและเกิดจะไม่มีเพราะนั้นถ้าการมาไปมีจะมีตายมีเกิดนั่นคือจิตเนียเมื่อมีการเคลื่อนเนียมันจะตายก่อนแล้วมันจะเกิดอีกทีหนึง่ง นั้นในความเป็นจริงจิตจะเป็นอย่างนี้นะตรงนี้ก็คือจะเห็นได้ต้องดูบ่อยๆดูซ้ำๆซ้ำๆไปเลยผู้เจ้าจึงให้มารู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยอันนี้คือในย่าที่ที่ลึก <c oughs> ในยะที่ลึกที่เราจะเห็นต่อไปนะ <c oughs> เราจะเห็นอะไรได้อีก เวลาจิตเคลื่อนไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเราเฝ้าสังเกตนานๆเราจะสรุปได้ว่าจิตนีิเคลื่อนไปในธรรมชาติใดบ้างเช่นยอมนั่งรู้ลมหายใจอยู่ปั๊บเดี๋ยวจะไปคิดอดีตบ้างเดี๋ยวไปคิดอนาคตบ้างเดี๋ยวไปสุขทุกข์บ้างเดี๋ยวกลับมาลมบ้างจิตจะวนอยู่แค่สี่ธรรมชาตินี้พระเจ้าก็บัญญัติสี่ธรรมชาตินี้ว่าเป็นวิญ ญ, ญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณเห็นนะ เราเริ่มได้ความรู้มากขึ้นล่วแค่นั่งรู้ลมหายใจเฉยๆเนี่ยคิดว่าไม่รู้อะไรแต่จะรู้กระบวนการทำงานของจิตทั้งหมดอย่างนี้กระบวนการําทำงานของธรรมชาติว่าวิญญาณกับรูปนามเนี่ยทำงานกันยังไงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตเฝ้าสังเกตจิต น, นั้นอย่างเราสังเกตมีเมฆฝนมาโอเมฆฝน เมื่อขนาดนี้สงสัยฝนตกแน่นอนนั่นคือเรานักสังเกตรธรรมชาติเหมือนกันผู้เจ้าก็สังเกตจิตทาํางานยังไงเคลื่อนไปเคลื่อนไปผู้เจ้าบัญญัติแล้วจิตไม่เที่ยงเมื่อท่านสมาธิได้มากขึ้นท่านจะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงมีการดับมีการเกิดผู้เจ้าก็บัญญัติว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนอเมื่อจิตเกิดดับจะได้ความรู้อะไรอีกก็แสดงว่าจิตเป็นอนัตตา แสดงว่าตัวตนของจิตเนี่ยมีชั่วคราวมีขึ้นมาปับ๊บก็จะหายไปมีมาปับ๊บก็จะหายไปอย่างเนี้ยเมื่อจิตมีชั่วคราวอา้าวแสดงจิตไม่ใช่ตัวตนจริงแต่ใครเป็นคนที่เวียนว่ายตายเกิดถ้าจิตไม่ใช่ตัวเราของเรานนั้นภิกษุลูกศิษย์ผู้เจ้าซื้อชื่อสาติเกวัตตบุตรพูดขึ้นมาว่า วิญญาณเนี่ยเป็นคนเวียนไหวตายเกิดพระเจ้ากลับตําหนิสาติว่าเธอเป็นโมคาบุรุษนะบุรุษผู้ว่างเปล่าบอกเราไม่เคยสอนเธอเลยว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดสั่งประชุมสงฆ์แล้วถามว่ามีพระองค์ใดที่เคยได้ยินว่าตถาคตสอนว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดไม่มีใครพูดแต่เอ้ชาวพุทธเราก็บอกว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิด จริงๆเนี่ยเราเข้าใจถูกนะเพียงแต่เราใช้บทเป็นสนัผิดเราเข้าใจถูกว่ามันต้องมีใครคนหนึ่งเนี่ยที่เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัตอืมนะแต่แต่สิ่งที่เวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัตเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกว่าจิตหรือวิญญาณจะถูกเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ผูเจ้าบอกว่ามันมีธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยที่มันมีความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้นคืออวิชชาและมีตัณหาความอยากเนี่ยเป็นเครื่องให้ผูกติดอยู่ในภพความพอใจของเรานั่นเองเราคิดว่าวิญญาณเป็นเรารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาความจำเป็นเราความคิดปรุงแต่งเป็นเราเราก็เลยยึดธรรมชาติเหล่านี้ผู้นี้แหละที่เวียนเกิดเวียนตายนะหลงไปกับสังสารสนี้ และผู้เดิมนี่อีกเช่นกันที่เมื่ออวิชชาหมดแล้วจะเข้าสู่วิมุตต์หลุดพ้นก็คือตัวเดิมเนี่ซึ่งตัวเนี้มีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วนะเพียงแต่ทุกคนเนี่ยมีความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกัน้นทําให้เข้าใจผิดคิดว่าร่างกายเนี้เป็นเรานะสุขทุกเป็นเราความจําเป็นเราความคิดปรุงแต่งเป็นเราวิญญาณเป็นเราพระเจ้าจึงให้มาเห็นห้าธรรมชาติเหล่านี้ว่าหนึ่งมันแปลเปลี่ยนมันไม่คงที่มันดับได้ แล้วมันเป็นอนัตตาสิ่งใดเปลี่ยนได้ดับได้เป็นอนัตตาผู้เจ้าบอกจะคิดว่ามันเป็นเราได้ยังไงอย่างนี้นั้นเท่ากับว่าเมื่อเราปล่อยวางห้าธรรมชาตินี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงสภาวะธรรมเดิมของเราทั้งหมดคือความไม่ตายซึ่งจริงๆสภาวะธรรมเดิมชีวิตเดิมของเราทั้งหมดคือความไม่ตายคือวิมุต t นั่นเองนะเพียงแต่แก้ความเข้าใจผิดใหม่ปั๊บเนี่ยเราสามารถกลับไปสู่สภาวะธรรมเดิมเองของเราทุกคนได้นะ วิธีในการกลับเข้าไปก็คือมักมีงแปดซึ่งมักมีงแปดเนี่ยพูดย่อดเหลือนหนึ่งก็คือรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองนะนั้นตัวลมหายใจเข้าออกเนี่ยพระเจ้าจึงอธิบายไล่ไปจนถึงวิมุติเลยว่าถ้าอานาปาบริบูรณ์เนี่ยจะทําให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ถ้าสติปัฏฐาน4ี่บริบูรณ์จะทําให้โพชฌงเจ็บริบูรณ์โพชฌงเจ็บริบูรณ์วิชาวิมุตจะบริบูรณ์อย่างนี้นั้นด้วยการรู้ลมหายใจง่ายๆนะ นี่ก็เรื่องของลมหายใจส่วนถ้าเมื่อรู้ลมหายใจเข้าออก <c oughs> อ่าบ่อยๆชนานาญแล้วเนี่ยอผลของมันจะได้อะไรบ้างน ะ, <c oughs> ะการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยผลของมันเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าจะได้ความเป็นพระหลานหรือพระนาคามีบุคคลบุคคลใดทําให้มากจเจริญให้มากซึ่งอานาปาณสติผลที่หวังได้สองอย่างในปัจจุบันนี้เลยเนี่ย คือพระหลานหรือพระอนาคามีนะอันนี้ผู้ชายก็ตัดมาสองพันกว่าปีแล้วนะเนี่ยผลอนนี้สองอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้นะอัลัตผลทิฏฐธทําทไปว่าปัจจุบันในปัจจุบันเนี้ยเราจะได้ความเป็นพระหลานหรือถ้ายังมีอุปธิคืออุปทานเหลืออยู่จะเป็นพระอนาคามีเนี่ยอนาปนานสติบุคคลจเจริญทําให้มากบุคคลนะ่าจะเป็นใครก็ได้ผู้หญิงผู้ชายนักบวชหรือไม่นักบวชก็ได้ใครทํามากจเจริญมาก นั้นข้อมูลเหล่านี้ก็คือข้อมูลในบาลีสยามรัฐนะอย่างที่บอกเป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนะซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่เสาหินโศมมาสู่รชัชกาลที่1รชัชกาลที่1เนี่ยข้อมูลในอยุธยาเนี่ยถูกเผาหมดก็เลยอขอพระธาบิโดกจากประเทศลาวมาแล้วขอพระเนี่ยสองกว่ารูกประชุมกันที่วัดพระศรีสรรเพชรออกใหม่ทั้งหมดเลยตลอด5เดือนจึงเสร็จนะรอ น, นึงเนี่ยไปไปควบคุมงานด้วยพระองค์องเองนะ รอหนึ่งกับน้องของท่านเนี่ยถวายอาหารเชา้าถวายน้ําปนนาตอนเย็นตลอดทุกวัน5เดือนจนกระทั่งพระธรรมดีนิสิตรอห้าได้พระธรรมดกตัวเนี้ยที่รอหนึ่งทำเนี่ยเอามาแปลเป็นอักษรสยามกลับมาอีกทีหนึ่งจากข้อสรขอมาเป็นอักษรสยามนะเราเลยคนไทยเราเลยรู้ข้อมูลทางพุทธศาสนาเนี่ยทุกวันนี้ก็เพราะรัชกาลที่หนะซึ่งวิสัยทัศน์ตรงเนี้ยเราไม่ไม่ค่อยเคยได้ยินได้ฟังกันนะว่าราชัชกาลที่ห้าเนี่ยมองการไกลามาก แล้วตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยหนังสือเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ในยุคนั้นซึ่งไม่ค่อยมีใครชอบเท่าไหร่นะแต่ลอห้าบอกว่ามันดีกว่านะดีกว่าใบลานเยอะนะรัชการที่5จริงไม่ยอมทําลงในใบลานนะก็คัดค้านเสียงคนส่วนใหญ่ในตรงนั้นบอกว่าต้องทําเป็นหนังสือถึงแม้ว่ามันจะไม่ทนเท่าใบลานท่านบอกแต่มันพิมพ์ได้ค่าวละมากๆ นั้นปัจจุบันนี้เทคโนโลยีหนังสือก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรนะทุกคนก็มีใช้กันธรรมดานะก็จะเหมือนกับเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่พวกแท็บต่างๆอย่างเงี้ยอีกหน่อยก็คงเป็นธรรมดาตอนนี้ราคาเป็นหมื่นแต่อีกหน่อยก็คงจะไม่กี่พันหรือไม่กี่ร้อยนะเหมือนมือถืออย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็ทำข้อมูลเข้าไปในพวกแท็บพวกนี้ทั้งหมด iPhone iPod, iPad นะ iPhone 4ขึ้นไปแล้วก็พวกแถบของที่ใช้ระบบ Android มือถือที่ใช้ระบบ Android ทั้งหมดเนี่ยเราทำข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกเนี่ยเข้าไปในอุปกรณ์ที่ใหม่ที่สุดในโลกนะพอดีโชคดีว่ามีพระที่จบเอกด้านการเขียนโปรแกรมมาก็เลยให้เขียนโปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันบรรจุบาลีสามรัฐทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยเนี่ยเข้าไปในนี้และใส่โปรแกรมในการสแกนตรวจสอบยมสามารถตรวจสอบได้ วินาทีเดียวก็สามารถรู้ได้แล้วว่าอาสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยมีในพุทธวจนะหรือไม่นะเช่นถ้าโยมอยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โยมก็มานั่งคิดให้จะตอบแทนยังไงดีจะให้เงินสักล้านสองล้านดีไหมหรือว่าจะต้องอยู่กับท่านเป็นเพื่อนท่านคุยกับท่านป้อนข้าวป้อนน้ําท่านดูแลพาท่านไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้ คนก็จะคิดไปเยอะแยะท่นี้โยมก็สามารถหาข้อมูลในนี้สมมติเราจะลองหาข้อมูลดูโยมก็คีย์คำว่าตอบแทนนะเว้นวรกแล้วก็บีดาแล้วก็เว้นวรกแล้วก็มารดา อ, อย่างนี้มีสามคำนี้ตรงไหนมันจะสแกนหามาให้พสูตรก็ขึ้นมาแล้วอย่างนี้ <c oughs> ในบาลีสมลัทเล่มที่20สุดตันต่ปิโ ก, กเล่มที่1ิบสผู้เจ้าบอกดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรา กล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครมารดาบิดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุอยู่ตลอดร0อปีเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดก <c oughs> ารให้อาบน้ำการดัดและท่านทั้งสอ ง, สองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบาของเขาทั้งสองนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การกระทําอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทําแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยดูก่อนพิสษุทั้งหลายบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสลาธิปัตดในแผ่นดินใหญ่อันมีลัตนะเจประการมากหลายอย่างนี้การกระทํากิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรตอบแทนแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบํารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายเห็นนะ ไอ้ที่เราคิดเนี่ยผู้เจ้าบอกอยังไม่ใช่นะส่วนบุตคลใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาเห็นไะหต้องชักชวนมารดาบิดาให้มามีศรัทธาในคําสอนนะยังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรนีนะให้สมาทานตั้งมั่นในจากาสัมปทาให้เขายินดีในการเสียสละ ยังมารดาบิดาสามปัญญาให้สมาธานตั้งมั่นในปัญญาสัมปาทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเห็นนะต้องให้ธรรมะเพราะถ้ายมให้ธรรมะสี่อย่างอย่างนี้บิดามารดาเรากำลังจะได้ความเป็นอริยบุคคลนะเห็น น, นั้นโยสามารถหาข้อมูลได้ทุกเรื่องในในโปรแกรมตรงนี้ นะอ่าสมมติว่าถ้าเออเรายังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยากจะสวยรวยสูงสัก์ทำยังไงโยมก็คีคำว่ารูปงามนะมีทรัพนะอ่าแล้วก็สูงสักเข้าไปนี่แล้วก็สูงสักนะ แล้วก็กดค้นหาตรงนี้น ะ, ะพระสูตรก็จะขึ้นมาลอ ะ, <c oughs> อ, ะอยู่ในบาลีสามลัทเล่มที่ยี่สบ็ดสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบสาอังคุตตะนิกายสอนกับพระนางมาลิกาบอกมาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดอง ไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเห็นนะม <c oughs> เป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายอดยานระเบียบของหอมเครื่องรูรไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีบความไฟแก่สมณะหรือพรามถ้ามาุูความนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชม ประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพวกระสมบัติมากและสูงสักน ะ, ะนั้นเราจะได้ข้อมูลหมดเลยของพระพุทธเจ้าซึ่งพูดมาสองพันกว่าปีแล้วอย่างนี้ก็เลยอยากให้เราเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยไม่ต้องผ่านการวิเคราะห์จากใครฟังจากผู้เจ้าโดยตรงเลยอย่างนี้ ฮะเนทุกวันนี้เนี่ยจะอจะเห็นประชาชนส่วนใหญ่จะไปแก้กรรมกันนะฮะนนสิ่งที่ฟังจากที่ท่านพูดมาเนี่ยการที่แก้กรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพระตถาทตที่ท่านในพูดกล่าวในพุทธวจนะนนฉันช่วย ข, ขยายความในส่วนของการแก้กรรมนี้ให้พวกเราได้ฟังได้ครับแก้กรรมเนี่ย กรรมเนี่ยเป็นเรื่องทั้งง่ายและเรื่องทั้งยากนะเป็นเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในพุทธศาสนาที่คุยเรื่องนี้นะอันดับแรกเนี่ยผู้เจ้าบอกว่ากรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบบุคคลเนี่ยควรทราบเรื่องกรรมนะพระองค์บอกว่าบุคคลควรทราบเรื่องกรรมเนี่ยมีหกอย่างหนึ่งพระองค์ต้องบอกว่ารู้ต้องรู้จักก่อนว่ากรรมคืออะไรนะ พระองค์จึงตัดว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมเพราะฉะนั้นบางคนจะพูดว่ากรรมไม่เจตนาไม่มีไม่มีในพุทธศาสนาเรื่องกรรมไม่เจตนาเจตนาเท่านั้นเป็นตัวกรรมนะอย่างที่สองนะพระเจ้าให้รู้จักว่าเหตุเกิดของกรรมเกิดมาได้อย่างไงพระเจ้าบอกเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะผัสสะคือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหกช่องทางเนี่ย ตากระทบรูปปับ๊บโยมมองอรถยนต์กันไลยโอ้สวยดีเนะปับ๊บหูไปได้ยินเสียงคนนี้มาสรรเสริญเราและเออเราชอบนะเอะ๊กลิ่นอาหารโชยมาแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปกินนี่หน่อยกรรมเกิดดับทางตาเกิดดับทางหูเกิดดับทางจมูกนะความดับของกรรมมีเพราะความดับแห่งภาษาภาษาเป็นเหตุเกิดของกรรมภาษาเป็นความดับของกรรมกรรมก็มีการเกิดและมีการดับโอ้โหโยมคิดว่า คนเราจะนับกรรมได้ไหมเนี่ยเอาแค่ตั้งแต่เช้าถึง <c oughs> หัวค่ํานี้เราก็นับผัรษาไม่ไหวแล้วใช่ไหมผู้เจ้าจึงบอกไม่มีทางเลยไม่มีใครรู้เรื่องกรรมได้พอโยมเขาเข้าใจเหตุเกิดของกรรมอย่างนี้ความดับของกรรมอย่างนี้แล้วใครบอกจะมาสแกนกรรมโยมเข้าใจเลยหมดสิทธิ์เหมือนคนจะนับเม็ดฝนในมหาสมุทรไม่มีทางนะผู้เจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนเม็ดฝนที่ตกลงมาแล้วเกิดฟองน้ําบนผิวน้ําเนี่ยยิ บ, ย บ, ยบ เกิดดับไตไปหมดเลยน้ันกกรรมหรือวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาใครจะไปนั่งนับทันโยมผู้เจ้าจึงบอกตถาคตผู้ดเดียวที่รู้นะผู้เจ้าตรัสดในมิขสารลาสูตรว่าเพราะกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตเนี่ยนั้นถ้าเราทราบข้อมูลนี้ชาวพุทธก็จะไม่ไปวิ่งไปตามสถานที่แก้กรรมต่างๆเนี่ยดูก่อนอนล น, นะอ่า เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตเหตุในการปาลบเรื่องนี้เนื่องจากนางมิคาสาราเนี่ย <c oughs> เกิดสงสัยในผู้เจ้าว่า <c oughs> ผู้เจ้าเนี่ยพยากรผิดหรือเปล่า <c oughs> พ่อของนางมิคาสาราประพฤติประมาจันแต่เพื่อนพ่อของนางมิคาสาราเนี่ยแค่รักษาศีลห้ายินดีในภรยา ต, ตนแต่ตายไปแล้วทั้งคู่ ผู้เจ้าพยากรณ์ว่าไปเกิดเป็นสกทาคามีพุลได้กายชั้นดุสิตเหมือนกันนางมิกาสาลาก็เลยบอกพระนลว่าเป็นไปได้ยังไงคนคนนึงประพฤติพรหมจรรย์อีกคนไม่ประพฤติพรหมจรรย์สร้างเหตุปัจจัยต่างกันแต่มีสัมคติในสัมภารยาพบเหมือนกันก็เลยมาผู้เจ้าก็พระนลก็เลยบอกว่าผู้เจ้ายืนยันว่าอย่างนั้นผู้เจ้าไม่ผิดแน่นอนอย่าก็เลยกลับมาถามพระพุทธเจ้าพรพุทธเจ้าก็บอกอานนท์ มิคาสาราเป็นใครตถาคตเป็นใครนะอ่าแล้วก็เลยกล่าวคํานี้มาว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคล น, นี้ใครเล่าจะเป็นรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตมันมีเหตุปัจจัยอื่นอีกเยอะมากเลยสมมบางทีเราเห็นคนคนนี้ไม่ดีทาไมมันได้ดีนะเขาได้ทําเหตุปัจจัยอื่นไม่มีใครตามไปดูเขาว่าเขานั่งสมาธิหรือเปล่าเขารักษาศีลไหมใครจะรู้ตรงนี้โยมมันทุกวินาทีเลยกรรมมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา ผู้เจ้าจึงบอกอย่าประเมินบุคคลด้วยคํานี้ต่อมาว่าดูก่อ น, นอนุนเพราะเหตุนั่นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบเป็นผู้ประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ตถาคตหรือเก่งเท่าตถาคตเนี่ยถึงจะประเมินบุคคลได้นั่นแสดงว่าทุกคนหมดสิทธิ์เลยสาวกจะเป็นพระอรหันต์เป็นใครก็ตามไม่มีสิทธิ์ตรงนี้ ผู้เจ้ายืนยันเลยตถาคตผู้เดียวเห็นนะข้อมูลเหล่านี้พระไม่เอามาเปิดเผยไงโยมซึ่งข้อมูลเหล่านี้เกิดมาก่อนพระทุกองในยุคนี้นะเพราะนั้นอาตมาถึงอยากให้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพวกเรานะและจริงๆข้อมูลพวกนี้อาตมาก็พยายามให้พระด้วยนะอาตมาไปบรรยายให้พระฟังที่สุลิน700องนะอาตมาก็เอาเรื่องแก้กรรมเรื่องพุทธวจนะเนี่ยไป บอกให้ท่านทราบนะนี่ที่สุรินเจ็ดร้อยองค์นะวัดป่าบ้านผือแล้วก็ที่บุรีรามอีกสี่ร้อยองค์วัดป่าเขากระเจียวนะแล้วก็ที่ถ้ำดาวเขาแก้วอีกส <c oughs> <c oughs> ี่ร้อยเน่พันกว่าองค์เนี่ยไม่ไม่รู้จักพุทธวจ น, นะนะ เพราะแต่ละวัดตู้พระตะบิดกถูกล็อกไปหมดนะจนฝุ่นจับเคลอะไปหมดเลยห้ามจับสูงเกินไกลเกินยายาอย่าไปศึกษาเดี๋ยวบาปนะพระอยู่องค์นึงบอกว่าผมต้องเอาไขควงไปงัดตู้ผมอยากจะอ่านคําพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะอ่าทีนี้ <c oughs> เราก็ต้องเอาเอ่อซีดีเอาหนังสืออะไรต่ออะไรเนี่ยไปแจกให้ท่านท่านจะได้รู้ข้อมูลและพระที่ฟังแล้วเนี่ยก็มีศรัทธามา สนใจหาข้อมูลนะขอข้อมูลกับเราเนี่ยอ้ากว่าองค์นะจากหนึ่งกว่าวัด48จังหวัดแล้วก็ได้มาฝึกที่วัดนาป่าพงเนี่ยยวัดนะเราก็พาท่านมาฝึกอันนี้คือพระที่มาฝึกอยู่กับเรานะช่วงประมาณอาทิตย์สองอาทิตยนะ์นี่อาจารย์สุจินหัวหน้าศูนย์ทุดงที่โคราชพาพระเดินมา15ปีบอกเอจะเหนื่อยเปล่าหรือเปล่านั้นเนี่ย ก็เลยต้องมาหาองความรู้ด้วยนะจะเห็นว่าจีวรของท่านก็หลากสีนะจีวรหลากสีมาบาดก็หลากสีนะเราจะมาฝึกให้ท่านรู้ว่าย้อมจีวรทำยังไงนะบ่มบาด ท, ทำยังไงซักย้อมผ้าอย่างจีวรเนี่ยถ้าพระทุกองเนี่ยทตามกรรมวิธีของพระเจ้าสีจะเหมือนกันทั่วประเทศคือ ต้องย้อมจากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้นะจีวรเราจะย้อมจากเปลือกบังคุดกับแก่นขนุนนะนั้นแค่ทําตามกรรมวิธีพระศาสดาเนี่ยสีมันจะออกมาอย่างไรก็อย่างนั้นและสีมันจะไม่คงที่ถูกแดดมันก็จะเข้มขึ้นนะซักออกมันก็จะซีดลงย้อมทับใหม่มันก็จะเข้มกลับเข้ามาใหม่น้ําย้อมถ้าต้มมากมันก็จะเข้มนะน้ำย้อมจางสีมันก็จะอ่อนมันก็แต่สีมันจะกลืนกลืนกันหมดเหมือนกับ กว่างอุโสมากัตมาก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่จะออกสีกลืนนกันใกล้ๆเคียงกันและถ้าต้นไม้ไม่เปลี่ยนสีจีวรพระก็ไม่มีทางเปลี่ยนสีเลยไปตลอดกาลเลยเพราะนั้นผู้เจ้าเนี่ยออกแบบมาเนี่ยอากาลิโกเลยใช้ไปได้ตลอดอายุของโลกเลยนะ <c oughs> นี่ <c oughs> เรามาดูเรื่องของกรรมนะย้อนกลับมาดูเรื่องของกรรมที่บุคลคลควรทราบต่อไป ผู้เจ้าบอกว่าเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในนรกกัมเนตรเดรชานเปลิวิสัยมนุษย์ษย โ, โลกเทวโลกปรมโลกเนี่ยมีนะอันนี้เรียกว่าความมีประมาณต่างๆและ ว, ว, วิบากของกรรมวิบากของกรรมที่ผู้เจ้าเนี่ยให้ทราบเนี่ยเป็นเรื่องของระยะเวลาแต่วิบากที่ว่าใครทําอะไรมาแล้วจึงได้ผลอย่างนี้ผู้เจ้าบอกอันนั้นอย่าไปทราบเป็นอาจินไตนะ วิบากของกรรมที่ผู้เจ้าให้ทราบเนี่ยคือมี3มระดับวิบากในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันนี้กรรมอะไรที่ทำแล้วปั๊บเนี่ยจะส่งผลในปัจจุบันเลยนะเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกอย่างนี้ส่วนมุมของวิบากที่ไม่ต้องการให้เข้าไปรู้ก็คือเช่นว่าเออคนนี้เจ็บป่วยตรงเนี้ยเป็นเพราะทําอะไรมาเอ๊ะทำไมเขาถูกลดชนเอ๊ะบางคนเนี่ย กระสุนเขายิงซ้อมกันเล่นๆดันลอยมาตกในบ้านโปะตายพอดีนะเอ๊ะมันเป็นอะไรมาอย่างเนี้ยตรงเนี้ยบอกไม่ต้องเข้าไปรู้เป็นหนึ่งในอจินไตย4อย่าง 1. วิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลก4อย่างนี้พระุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปคิดเลยมันละเอียดมากมีส่วนแห่งความวิปรา้าวถ้าไปนั่งคิดอยู่นั้นเหตุ <c oughs> ของกรรมตรงเนี้ยพรพุทธเจ้าบอกไม่มีใครรู้หรอกนอกจากพระพุทธเจ้า เหมือนลักษณะมหาบุรุษได้ความงดงามในร่างกายเนี่ยนะอย่างเช่นการได้ตางดงามผู้เจ้าบอกปริพาโชคทั้งหลายเนี่ยเขาจะรู้จักลักษณะของมหาบุรุษเหมือนกันแต่เขาจะไม่รู้ว่าทากรรมอะไรมาแล้วได้เช่นนั้นอย่างเช่นการได้ตางามผู้เจ้าบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ค้อนควักไม่จ้องลับหลังมองดูตรงๆด้วยสายตาอันแช่มชื่น อันนี้ถ้าตายไปแล้วชาติหน้าเนี่ยจะได้ตางดงามดุจตาบัวนะเห็นนะอันนี้เราก็จะเห็นหนังไทยเยอะที่แสดงแบบนี้นะ อ, <c oughs> อันนี้เป็นวิบากของกรรมและสุดท้ายที่พูุทธเจ้าต้องการให้ทราบก็คือวิธีดับกรรมนะพระองค์บอกอริยะอัดถังคิกามาร์นี้นั่นเองคือกรรมมะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรม มักมีองศาต่อมนะอริยะนี่คือความประเสริฐอัดถังนี่ก็คือ8มักคือหนทางหนทางอันประเสริฐ8ประการนะมีวิธีเดียวเท่านั้นพระเจ้าตรัสทั้งชีวิต45ปีเนี่ยไม่เคยพูดคําอื่นเลยว่าแก้กรรมได้นอกจากมักมีองศาตนะอ่านั่นที่วิธีแก้กรรมกันหลากหลายในปัจจุบันเนี่ยมันแก้ไม่ได้จริง ปัญหาคือชาวพุทธคิดว่าสิ่งที่ทราบมารู้มาเนี่ยหรือสิ่งที่พระสอนมามันคือความจริงจากพระพุทธเจ้าเราก็เลยทำตามกันเพราะมันถูกสอนโดยพระนะแต่เป็นเหตุเพราะว่าพระไม่รู้คำสอนพระุทธเจ้ารู้แต่คำอาจารย์ตัวเองที่ถ่ายทอดตามกันมาอัตมาถามพระพันกวอ ง, องเนี่ยว่ามีใครทราบวิธีแก้กรรมตามที่พุทธเจ้าบัญญัติไม่มีใครทราบเลยยนะเอะเป็นเรื่องที่แปลก นั้นเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเออพระเนี่ยข้อมูลตรงนี้น้อยมากนะอาตมาถามพระอีกว่ า, าเราสอนให้ญาติโยมสวดมนเนี่ยแล้วจริงๆพระพุทธเจ้าเราสวดอะไรพระก็ไม่ทราบนะออนั่นพระเนี่ยไม่มีข้อมูลของศาสดาตัวเองและหนังสือในประเทศไทยทุกวันนี้โยมไปดูได้ตามแผนหนังสือทั้งหมดไม่มีหนังสืออย่างนี้คือพุทธวจนะ นนหนังสืออตามาทั้งหมดตำราทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีคําสอนอาจารย์คึกฤทธิ์จะมีแต่คําพระพุทธเจ้านะต้องอย่างนี้เท่านั้นจริงๆพระต้องทําเหมือนอย่างเนี้ยจะเหมือนในครั้งพุทธกาลเขาจะไม่กล้าพูดเองไม่สอนเองเพราะเขาจะเชื่ออาจารย์เขาคนเดียวคือเจ้าชายสิทธัตถะสมณะโคดมนะอย่างนี้มันก็เหมือนกับจริงๆตัวเขาเนี่ยเชื่ออาจารย์เขาหลวงพ่อหลวงปู่หลวงอาอย่างเนี้ยแต่เปลี่ยนคนนั้นมาเป็นพระพุทธเจ้าซะ มันจะจบเหมือนกันทั่วประเทศเลยใช่ไหมทุกคนจะสอนเหมือนกันเป๊ะอย่างเงี้ยเพะนั้นนี่นี่เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ก็คือไม่ให้ไปสนใจคำที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งหมดต้องมาฟังพระเจ้าอย่างเดียวเพราะพระองค์คือสัพพัญญูผู้เดียวในโลกนะนั่นนั้นพระาศาสดาสวดอะไรเวลาอยู่ผู้เดียวเนี่ยพระาศาสดาสวด กฎอิทธปัจยตา4บรรทัดเองเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปจบและแค่นี้นะและส่วนลงรละเอียดของกฎอิทธปัจยตาก็คือลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายและลำดับเหตุของการดับไปแห่งความตาย ว่าความตายเนี่ยเกิดมาได้ยังไงไล่ตั้งแต่เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณไล่มาจนตั้งชาติชรามรณะนะนั่นนั่นคือความตายเนี่ยมันมีเพราะเกิดเพราะมันเกิดมาแล้วมันถึงตายไงเหมือนแก้วเนี่ยแตกเพราะอะไรไม่ใช่หล่นแตกหลุดมือแตกแต่เพราะมันเป็นแก้วมาแล้วนัถึงจะตั้งไว้เฉยเฉยหมื่นปีแสนปียังไงก็แตกแน่นอนเพราะมันมีการเกิดมาแล้ว ชาติการเกิดจึงเป็นเหตุของแก่และตายแตกสลายแล้วชาติมีเพราะอะไรเพราะมันมีสถานที่เกิดสถานที่เกิดเนี่ยผู้เจ้าเปรียบเหมือนผืนนาบอกพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาคือมีสถานที่ให้เกิดแลและการที่เมล็ดพืชงอกขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าชาตินะการเกิดการงอกขึ้นเนี่ย ชาติเนี่ยงอกขึ้นมาด้วย น, น้ํานันธิราคะเอาน้ําลดไปปั๊บนะจิตที่เพลินกับอารมณ์เนี่ยเรียกว่าทําให้สร้างชาติขึ้นมาได้นะวิญญาณที่เข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใดก็ตามปั๊บเช่นไปรับรู้อารมณ์โกรธปั๊บพบเกิดแล้วแล้วยมโกรธต่อไปชาติเกิดแล้วนะนั้นตัณหานําไปสู่อารมณ์นั้นทําให้เกิดความยึดทําให้เกิดพบทาให้เกิดชาติไหลาตามมา นั้นพอย้อนกลับเนี่ยชาติมันงอกได้เพราะว่ามันมีพบเข้าไปตั้งอาศัยพบมีได้เพราะอุปทานการเข้าไปยึดยึดมีได้เพราะเธออยากอยากมีเพราะเธอพอใจพอใจมีเพราะเธอมีสัมผัสทางตาหูสัมผัสมีเพราะเธอมีตาหูจมูกลิ้นมีรูปเสียงกินรสอายตนะมันมีเพราะนามรูปมันมีตัวธาตุตัวธาตุมีเพราะวิญญาณเข้าไปรู้และทั้งหมดนี้มีเพราะอวิชชาคือไม่รู้ เนี่ยอันนี้คือไล่ลำดับการเกิดขึ้นของความตายไม่ใช่ว่าความตายอยู่ๆมันมีขึ้นมาเองทุกอย่างเกิดมาจากเหตุและความตายสามารถดับไปได้น่ะูเชา้าบอกความตายก็ไม่เที่ยงดับได้ทุกอย่างตายก็จริงแต่จริงๆเนี่ยเรามีสภาวธรรมคือความไม่ตายกันอยู่ทุกคนนะเพียงแก้ความเข้าใจผิดตรงนี้หน่อยเดียวถ้าทาให้อวิชชาจางคลายดับไปไม่เหลือเนี่ย สังขารจะดับวิญญาณจะดับมันจะดับไล่มาไล่มาไล่มาจนทังความตายแก่ตายเนี่ยดับไปนะนี่วิธีแก้กรรมทำอย่างนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นระบบของกรรมเลยเราจึงแก้ตรงนี้ไม่ได้วิธีแก้คือถอนตัวตนออกจากระบบของกรรมมาว่าไอ้เนี่ยขันห้านี่ยไม่ใช่เราเพราะขันห้าเนี่ยมันคือระบบของกรรมนะ้รเจ้าเปรียบกรรมว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนา จะเปรียบเหมือนกับภพบนะเมื่อกี้บอกว่าพบเปรียบเหมือนพื้นนาโดยอุปมาเดียวกันผู้เจ้าบอกกรรมเปรียบเหมือนพื้นนานั่นคือกรรมก็คือพบนั่นเองและอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกว่าพื้นะนเนี่ยเปรียบเหมือนขันทั้งสคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเพราะฉะนั้นก้อนกายเราความรู้สึกเรามันคือระบบกรรมเลยมันเป็นตัวกรรมนั่นเองเราจะหนีจากมันจึงไม่ได้วิธีหนีออกก็คือต้องปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มัน <c oughs> วิธีปฏิเสธ ต, ตรงนี้ก็คือผู้เจ้าให้มองเห็นว่าสิ่งเราเนี้ยมันเกิดดับพระศาสด า, อาบอกอย่างนี้ว่าเธอเห็นเธอเห็นเลกวัดคนทําการวัดลากเอาขิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวบกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากและเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกก็บอกสาวกเป็นพ่ออะไรล่ะสาวกก็บอกว่าก็นนั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรา ผู้ชายบอกถูกต้องทำยังไงเราจะมองว่ามันกับเราเนี่ยมันคนละตัวกันนั่นคือหลักการเดียวกันเหมือนกับถ้าโยมเห็นสัตว์สักตัวนะ่ะถูกลากไปหรือคนเนี่ยถูกลากไปเผาหรือขี้เท่าแสดงว่าโยมกับเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะถ้าโยมเป็นคนที่ถูกลากไปเผาโยมก็จะไม่เห็นขี้เท่าตัวเองถ้าเราเห็นขีนข้เท่าเขาแสดงว่าเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตมันต้องเป็นคนละตัวกันจะเหมือนกับกิ่งไม้ตัวนี้ แต่สิ่งที่ผู้เจ้าให้สังเกตไม่ใช่กิ่งไม้ใบไม้แต่เป็นตัวเราเองที่เราคิดว่าเป็นตัวเรามันเลยยากนิดหนึ่งนะตรงนี้ก็เลยวิธีสังเกตผู้เจ้าจึงให้ดูว่าผมงอกไม้หนังเหี่ยวย่นไม้เราบังคับควบคุมได้ไม้ฟันหลุดล่วงไม้หูตาฟ้าฟางไม้จิตเปลี่ยนแปลงไม้เป็นอนิจจังไม้เกิดไม้ดับไม้สุขเกิดมาแล้วมีใครสุขทั้งวันมีไหมไม่มีมีสุขแล้วก็ดับทุกมาแล้วก็ดับ เกิดดับเกิดดับทุกอย่างเกิดดับปั๊บเราจะเห็นนะ อ, อ๋อทุกอย่างเกิดดับขณะที่สุกเกิดแล้วสุกดับไปเราไม่ได้ดับไปตามมันเรายังอยู่นั่นไนงะสภาวะที่สังเกตเนี่ยนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแล้วดับตัวนั้นไม่ได้ดับไปด้วยทํำยังไงเราจะเข้าถึงสภาวะนั้นอย่างเดียวนะเนี่ยสุดยอดคําสอนคือตรงนี้แก่นของคําสอนคือตรงนี้นะ <c oughs> แล้วตรงเนี้ยคือวิธีแก้กรรมที่ถูกต้อง ไม่ต้องวิ่งไปทำอะไรนั่งอยู่บ้างเฉยๆรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกทำสมาธิเดินจยกมมกรรมถูกแก้ได้แล้วดีกว่าไปวิ่งตลอดตลอดแล้วก็กรรมไม่ได้ถูกแก้เลยนะ่ะเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ไหม <c oughs> แค่รู้สึกดีขึ้น <c oughs> ตามความเห็นที่ไม่ถูกต้องแค่นั้นเองอย่างเนี้ย <c oughs> แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ ยาติโยมที่พึงหาในส่วนองการแก้กรรมเนี่ย อ, อ, อย่างที่ผมเคยไปสัมผัสแลดูๆมาเช่นพระท่านว่าบางทีถามหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมปวดเมื่อยอย่างงูอย่างงี้หลวงพ่อบอกกระักกรรมเก่าแล้วเราจะทำยังไงอะหลวงพ่ อ, อก็มาทำพิธีสิสะดะเคราะห์นอนในโรงบ้างอะไรบ้างอย่างที่ ที่พระอาจารย์ท่า น, นบอกอันนั้นเป็นสิ่งที่พระคาถาคดไม่ได้ไม่ได้สอน<า>ไม่ได้สอนใช่แล้วก็ บ, บอกว่าแก้ไม่ได้ครับนั่นเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นทั้งหมดเลยอซึ่งนางพรามณีใครต่อใครผู้เจ้าเจอเยอะบางนางพรามณีเธอทําอะไรบอกแก้กรรมเธอทํายังไงล่ะผู้เจ้าก็ถามเขาก็บอกเขาเอาน้ําโคไม้สดเนี่ยลาดพื้นดินเอาญ้ากุสะสีเขียวน่ยปูนะอ่า แล้วก็เลี้ยงอาหารข้าวหวานกับคนแล้วก็ก้มกราบแผ่นดินว่าข้าขอปลงบาปปงบาปนี่ก็แบบหนึ่งนะพวกเดินลงสู่แม่น้ําในเวลาเช้ากลางวันเย็นอะ่ะลงแม่น้ํำคงคาต้องวันละสามรอบแล้วบอกกรรหมดบริสุทธิ์และขึ้นมาอีกพวกก็บูชาไฟอีกพวกก็ปอกต้องทรมานตนมากๆยืนขาเดียวอ้าปากกินน้ําค้างนะพวกนอนในบนหนามเดินบนหนามดินบนหนามมันมีความเห็นเยอะมากแต่เยอะ ตกลงแล้วความเห็นใครถูกเนี่ยเนี่ยเยอะมากเยอะมากอ่าในอินเดียนี่เป็นพันพความเห็นเลยนะอือฮะอือฮะอือฮะถูกต้องถูกต้องใช่อ่าแทบจะติดกันเลย สมาธิก็คือสมถะว <c oughs> ิปัสนาคือปัญญาผู้เจ้าบอกสมถะกับวิปัสนาสองชื่อเนี่ยคือชื่อแทนมรค8มัมรคมีม8ดเนี่ยพูดย่อเหลือสามคือสินสมาธิปัญญาถ้าพูดย่อเหลือสองคือสมถะกับวิปัสนานะสมาถิก็คือสมาธิจะมี9ก้ระดับ <c oughs> นะสมาธิมี9ก้าระดับเท่านั้นเราเคยได้ยินคำว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอปนนามม คำพวกนี้ไม่มีในพุทศาสนาน ะ, ะเราลองคีย์คำว่าคณิกาสมาธิน ะ, ะให้เขาดูนะเราก็ใส่คําว่าคณิกาสมาธิไม่พบคําว่าคณิกาสมาธิในพระเทวิดกสยามรัฐนะอุปจารสมาธิละ่ะนะอันนี้พระใช้กันมากเลยเกินแต่ไปใช้ข้อมูล ก, กลางๆใช่อุปจารสมาธิก็ไม่พบ อ, อัปปนาสมาธิละ่ะ <c oughs> กดค้นหาไม่พบคำว่าอปปนาสมาธิ <c oughs> เห็นนะยังอนาปานาสติอ่ะอาตามาอนาปามาสอนลองคีคํคำนี้อนาปามีไหมนะอนาปานาสติ <c oughs> ขึ้นมาแล้วใช่มเยอะเลยหนึ่งพันสาม 3า8ก็อานาปานสติอันภิกษุจเจริญกระทำให้มากแล้วลองพลิกไปบาลีนั้นเราสามารถตรวจบาลีได้ด้วยพลิกไปบาลีก็จะขึ้นมาหน้าจอเดียวกันปั๊บในหัวข้อเดียวกันดูซิมีไหม3ั7อาณ้ยอนาปานสตินะภิกเวคือภิกษุทั้งหลายนะ อ, อย่างนี้ก็ตรวจได้เลยอย่างนี้แต่คณิ ก, กะอุปจาระปานาไม่มีเลย ถูกแต่งขึ้นประมาณพันกว่าปีเหมือนกันแต่งมานานในคำผีวิสุทธิมรักนะอาจจะถูกแต่งขึ้นแต่ในข้อมูลสองพันกว่าปีไม่มีถูกแต่งประมาณยุคกลางกลางนะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่มีสมชื่อจริงๆสมาธิมี9ก้าชื่ อ, อปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานอากาสารนัญจายทนาะวิญญาณัญจายตนะ อากินจัญญาจตนะเนวสัญญาณนาะสัญญาจตนะแล้วก็สัญญาเวทิตนิโรธตลอดสี่ห้าพรรษาผู้เจ้าพูดสมาธิแค่เก้าคำนี้ไม่เคยพูดสามคำนั้นเลยเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ที่ผู้เจ้าไม่เคยสอนเลยเนี่ยเราอยากตัดออกไปก่อนใช่ไหมยังไม่ต้องวิเคราะห์กับเรื่องแปลผิดแปล ถ, ถูกแต่ไม่มีเลยไม่มีคำพวกนี้เลยเนี่ยเอาออกไปเนี่ยอูษศาสนาบริสุทธิ์ขึ้นมาบานเลยอยู่ใช่ไหมอย่างนี้ นั้นการเปรียบเทียบข้อมูลณนะวันนี้มันทำให้เราเนี่ยได้ความบริสุทธิ์ในคำสอนพระศาสดามากขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> ก็ไปเทียบเองไนงะ <c oughs> ไปเทียบเองอ่าว่าคณนิกาเทียบ ก, ทบกับอันนี้นะอันนี้เทียบกับอันนี้อ่าคือเอามาเทียบอ่าเพราะนั้นเวลา <c oughs> ใช่ใช่ท น, นี้พอคำว่าคณนิกาผู้เจ้าไม่เคยพูด โยมก็จะเห็นว่าเวลายมไปถามคณิกะสมาธิกับพระสิบองค์จะพูดไม่เหมือนกันเพราะพรเจ้าไม่เคยบัญญัติไว้แต่สมาธิทั้งเก้าระดับเนี่ยพระเจ้าเองเนี่ยพูดร้อยครั้งก็เหมือนกันร้อยครั้งไม่เคยผิดไปสักบทพิชนะเดียวเป๊ะหมดเลยอย่างนี้จะต่างกันมาก้ะทำให้เรางงอ่ะเอ๊ะเราตกลงเราจะเชื่อใครใช่อืมเชื่อผู้เ้าทูกต้องเนี่ย เชื่อ huh, ผ right. uh ู huh, uh. <YAN ly> oh. um? ้เ้าองเดียวมันจบเลยนะใช่ใช่อืมอืมเสียไปแล้วก็นั่งับไม่ดัได้มีลูกสอีกองหนึงอยู่อีวัดนึงอีกองอยู่อีวัดกลางคืนก็ขโมยไปอ๋อ อ่าฮะอ่าฮะวันี้ก็สอนให้ทำบุญทำบุญเพราะว่าวัดก็จะแข่งันก่ือวัดตัวเองบวอ่าฮะอ่าที่การมาหลายๆรงนะก็ทุกคนมีาสุ้เรื่องการที่ต้องปดรนที่ใช่ใช่ทำให้รู้ว่าอะไรอยู่มีเใช่ แค่นั้นเองนะจริงๆพระต้องสอนเรื่องนี้เป็นหลักไนงะและเรื่องนี้มีอ น, นิสงฆ์มากด้วยมีอนิ ส, สงฆ์มากกว่าการให้ทานเป็นร้อยเป็นพันเท่านะผู้เจ้าเปรียบเทียบตั้งแต่การให้ทานกับคนเป็นร้อยเป็นพันสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระโสดาบันร้อยสู้ให้กับพระสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้ไล่มาจนถึงพระหานองค์เดียวบอกให้ทานกับพระหานร้อยยังสู้สร้างกุฏิวิหารครั้งเด e ียวไม่ได้สร้างกุฏิวิหารร้อยสู้รักษาศินครั้งเดียวไม่ได้ รักษาสิน้อยสู้นั่งสมาธิครั้งเดียวไม่ได้โยมอยู่บ้านเฉยนั่งสมาธิรู้ ล, ลมมาใจเงียบๆเนี่ยโอ้โหอันนี้สงมหาศาลเ <c oughs> นี่ยอ่ใช่สบายๆด้วย <c oughs> นะโ <c oughs> ยมว่าไงนะเชนอือใช่ใช่ายางใช่ อ๋อ <c oughs> อ๋ อ, อเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าเราเป็นคนพูดนะ่ะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะมีกี่องค์ก็ตาม <c oughs> ต้องยืนยันโดยพระเจ้าองค์ปัจจุบันเพราะพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยเกิดห่างกันมากห่างไกลกันจนแบบว่า ไม่มีแล้วนะอ่าก็แค่กับเดียวเนี่ยนะเอาระยะของความนานของหนึ่งกับหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเท่ากับภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยนะยาวสิบหกกิโลกว้างสิบหกกิโลสูงสิบหกกิโลร้อยปีมีบุรุษเอาผ้ามาลูบทีหนึ่งจนสึกไปอีกร้อยปีผ้ามารูปอีกทีหนึ่งทาอย่างนี้จนราบเรียบบอกยังไม่ถึงกับเลยยมเติมศูนย์ยังไม่ หาที่นับไม่ได้เลยใช่แต่ผู้เจ้าบอกเธอเนี่ยไม่ได้เกิดมาแค่กับเดียวพันกับหมื่นกับล้านกับเกิดมามากกว่านั้นอีกนานนะักโอ้โหใช่แล้วผู้เจ้าแต่ละองค์เนี่ยอยู่เกิดห่างกันเนี่ยประมาณอย่างองค์ที่ถัดผู้เจ้าไปเนี่ยเก้ับอย่างเงี้ยโอ้โหมันนานขนาดไหนข้อมูลมันไม่มีแล้วผู้เจ้าองค์ก่อนเนี่ยไม่มีแล้วข้อมูลของผู้เจ้าองค์ก่อนหรือผู้เจ้าต่อไปคือข้อมูลที่มาจากพระผู้เจ้าของเรา พ, พูดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็คือศึกษาในคําสอนพระศ า, าสดาเราเราจะทราบพระผู้เจ้าองค์ก่อนมีเท่าไหร่นะและต่อไปจะมีอะไรบ้างผู้เจ้าย้อนหลังไปว่าในเก้าสิบเอ็กัปที่แล้วเนี่ยผู้เจ้ า, อ ง, า, ลลงาองค์นี้มาเกิดลดลงมา3ามสิบเอกัปองค์นี้มาเกิดองค์นี้มาเกิดองค์นี้มาเกิดและมายุคมนุษย์อายุร100อยปีท่านมาเกิดต่อไปมนุษย์เนี่ยจะอายุลดลงจาก 80,000 ปีเหลือ100ปีจาก100ปีเหลือ10ปี และจะเกิดการฆ่ากันตายตลอดเจวันในยุคสิปีข้อสังเกตคือผู้หญิงอายุห้าปีจะมีบุตรมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้านะกุลเชษฐาประจาญญาธรรมการเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่างจะไม่มีจะไม่มีคําว่ากุศลพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาครัวอาจารย์จะไม่มีนะอกุศลเจริญถึงขีดสุดกุศลหายไปหมดจากโลกทุกคนจะมีอาวุธในมือฆ่ากันเล่ากับเนื้อกับปลาจะเกิดเจ็ดวันที่ฆ่ากันตลอดทั้งโลก และจากนั้นเนี่ยจะมีมนุษย์บางพวกที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในปา่าหลงเหลือก็กลับมาฟื้นฟูสินทรรมใหม่มนุษย์ก็อายุยืนขึ้นจนกระทั่งถึงแปดหมื่นปีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านำว่าเมตเตยะจะมาตัดสูโอ้อีกนานมากโยมกว่าจะลดลงไปถึงสิบปีกว่าจะตีขึ้นไปถึงแปดหมื่นนะเราทาให้บรรลุในชาตินี้จะดีกว่าใช่ไหเอเนี่ยอ ตอนนั้นพระเจ้าจะอธิบายบรรยายไปหมดนะเหมือนโยมไปเห็น <c oughs> แผนพัง31พบภูมิในวัดต่างๆนะก็ไปตรวจดูแล้วไม่ใช่พุทธวจนะทั้งหมดนะจริงบ้างไม่จริงบ้างก็เลยให้ทีมพระเราเนี่ยรวบรวมใหม่ทั้งหมดรวบรวมเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวออกพรรษาเนี่ยน่าจะทำเป็นหนังสือออกมาได้นะ่ว่าพบภูมิทั้งหมดเนี่ยโดยคำพระตถาคตเนี่ยมีเท่าไหร่จริง เนื่องจากแนวคิดเนี่ยมันผิดมาว่าคําที่ต่ํากว่าผู้เจ้าเนี่ยรับฟังได้ซึ่งผู้เจ้าบอกไม่ได้อย่าไปฟังมันก็เลยมีการใส่ความเห็นเข้าไปแยะแย่ถ้ายอมรับได้ว่าคําที่ต่ํากว่าผู้เจ้าฟังได้แล้วจะหยุดที่คําของใครหยุดที่ความเห็นใครทุกคนมีความเห็นหมดเลยนี่ก็ครูอาจารย์ของฉันของฉันของฉันอ่ามันก็เลยกลายเป็นหลายค่ายหลายสํานักในยุคนี้นะอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาที่เราเนี่ย มายึดถือพระาศาสดาเพราะนั้นจริงๆแล้วในแผ่นพับแผ่นนี้เป็นประสูตรที่รวบรวมไว้ให้นะสําคัญมากว่าพระาศาสดาพูดเองว่าทําไมจะต้องฟังคําศาสดาเท่านั้นอย่างนี้นะและคําที่แต่งใหม่บอกว่าอย่าไปสนใจนะผู้เจ้าตัดไว้เองว่าสุตตันต์ลาใดเนี่ยที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกาบกรมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่หูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนเห็นนะคําคนอื่นเนี่ยพระเจ้าบอกให้อย่าฟังนะอย่าฟังฟังคําตถาคตเอ๊ะทำไมดิสเครดิตสาวกตัวเองอะใช่ไหมเอไม่มีสาวกตัวเองประท้วงเลยเหรอพระหันเป็นพันๆในยุคพระเจ้าใช่ไหม ภาษาเรบุตรเลิศทางปัญญาไม่ประทวงผู้เจ้าละ่ะอแม้แต่ผมก็เลิศทางปัญญานะอืมและยังบอกอีกว่าสุดส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้ดีย่อมมีหูฟังย่อมตั้งจิตไปจะรู้ตัวถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนยกตัวเองเกินไปหรือเปล่าเหยียดยามคนอื่นหรือเปล่า ไม่ใช่เพราะพรุทธเจ้าคือสัพพัญญูผู้เดียวในโลกพรุทธเจ้าบอกเลยว่าพระอาหารหันต์ประเภทพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ทั่วไปเนี่ยต่างกันยังไงตอกย้ำไม่ด้วยนะบอกพระอาหารหันต์ประเภทพระุทธเจ้าเนี่ยคือรู้มักก่อนรู้แจ้งมักฉลาดในมักส่วนสาวกทั้งหลายในการเนี้ยเธอเป็นเพียงอะไรมักคานุ ข, ขาผู้เดินตามเท่านั้นสาวกคําว่าสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอน ปริพาชคเดลทีคนอื่นเขาก็มีสาวกของเขาคือผู้ฟังคําสอนของเจ้าลัทธิต่างๆตัวเจ้าลทัทธิเนี่ยคือศาสดาจะบัญญัติคําสอนเองอย่างนี้นั้นเราพระพุทธเจ้าเราก็คือศาสดาเป็นคนบัญญัติคําสอนเรียกว่าปัญญัตินิรุตติคือภาษาคนที่บัญญัตินิรุตติภาษาได้ไม่ผิดแม้แต่คําเดียวคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะ พระองค์ตัดกับอคิเวสนะว่าพระองค์เนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวไม่มีใครทําได้ <c oughs> และบอกกับภิสูจนทั้งหลายว่านับแต่ราตรีที่ตัดสลุถึงราตรีที่ปลินิพานเนี่ยบอกตลอดเวลาระหว่างนั้นเนี่ยตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอ น, สอนแสดงออกซึ่งถ้อยคําใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยย่อมเข้ากันได้โดยประการใดรเดียวทั้งสิน้นไม่แย้งกันเป็นประการเดียวเลยคําพระเจ้าเนี่ยขัดแย่งกันไม่ได้ ถ้าคำของผู้บัญญัติคนแรกไม่มีการขัดแย้งกันแล้วสายในประเทศมันมีได้ยังไงใช่ไหมมันจะมีไม่ได้มันต้องมีใครจำมาผิดนะเ <c oughs> นี่ยนะวิธีนับถือสาวกครูอาจารย์ก็คืออ่าโดย <c oughs> โดยหลักว่าใครเป็นพระผู้เจ้าจะวัดจากหนึ่งศีลบริสุทธิก่อน สินบริสุทธิ์นะปกติจะมีสี่ฐานะคือโสดาสกิทาคานาคาพหลนันแต่อันหนึ่งจะมี7ระดับนะก็คือศินบริบูรณ์เข้าสมาธิระดับรูปสัญญาสมาบัติอรูปสัญญาสมาบัติได้แล้วก็โสดาสกิทาคานาคาพหลนันนี่คือสงสารบอกของพระศาสดาอ่านี่อย่างหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นศินบริบูรณ์เราก็คือ1เราต้องมีความรู้ในธรรมะของพระศาสดาเช่นผู้เจ้าบอกว่า ห้ามพิสุรับเงินทอง <c oughs> นะบอกอันหนึ่งพิสูุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสกยปะปาจิตติพระรับเงินทองเนี่ยต้องอบัตรปาจิตติเงินทองเป็นนิสกีต้องสละทิง้งนั้นแค่นี้เราก็พอตรวจได้ก็หายไปบานเหมือนกันนะนะอ่าเป็นส่วนใหญ่อ่าอ่า นั้นเวลายัางพระสามแสนเนี่ยถ้าในประสบการณ์อาตมาเนี่ยรัตอาตมาเช็คข้อมูลเนี่ยจะมีพระในสายปฏิบัติที่ไม่ได้รับกันอยู่อยู่ประมาณ 7,000 นะในสาขาตามวัดต่างๆที่นู่นที่นี่เนี่ยเอาให้ตกสำรวจซะมื่นหนึ่งเบิ้ลไปอีกหนึ่งเท่าให้สอง0มืนก็จะมีสอง0มืนที่ยังพยายามประพฤติปฏิบัติดี ที่เหลืออีกสองแสนแปดนายกอ่าฮะก็ยมถวายปัดใจผู้เจ้าไม่ได้ห้ามนี่ <c oughs> แต่การถวายปัดใจนั้นพระอย่ารับต้องให้คารวาดรับเรียกว่าวัยยาววัจกรผู้ทากิจธุระแทนสงฆ์ <c oughs> ผู้เจ้าไม่ได้ห้ามนะในเมธนาการุญาตยังบอกไว้ว่ามีอยู่ที่ ข้ า, าดีเนี่ยเขาเริ่มสายศรัทธาเขาฝากเงินไว้ให้กับกับปปิยะการกคือบุคคลผู้สมควรให้เธอนั้นยินดีกับปิยภัณฑ์ของที่สมควรจากกัปปิยะการกบุคคลผู้สมควรนั้นได้แต่เราไม่ได้ให้เธอยินดีด้วยเงินและทองโดยปริยายใดๆเลยเพราะฉนั้นอย่าไปยินดีเงินทองเพราะในครั้งกุฏิการเนี่ยมีพระใช้เงินเนแล้วก็ถูกคลรวาดเขาว่าอ้าวไหนว่าเป็นสมณะเป็นนักบวชก็ใช้เงินทองเหมือนกับพวกเราเหมือนกัน เรื่องไปถึงผู้เจ้าผู้เจ้าเลยบัญญัติห้ามใช้เงินทองเห็นนะอย่างนี้บุญอ๋อบุญเนี่ยการทำทานก็เป็นบุญ รักษาศีลก็เป็นบุญนั่งสมาธิก็เป็นบุญพิณาด้านปัญญาก็เป็นบุญนะทุกอย่างก็ก็เป็นบุญหมดแต่อันไหนมีนิสงมากก็อย่างที่ผู้เจ้าเปรียบเทียบไว้นั่งสมาธิปัญญาได้มากที่สุดนะมากน้อยเนี่ยเอาอะไรมาเป็นตัววัดการกระทําใดที่ทําแล้วเนี่ยเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ง่ายได้เร็วได้ไว่นั่นน่ะอันนั้นน่ะมีบุญมากมีนิสงมากโยมทําทานตลอดร้อยปีเนี่ย ถามว่าโยมยังฆ่าสัตว์ได้ไหม ย, ยังขโมยได้ไหม ย, ยังโกหกได้ไหมได้เพราะศีลไม่ได้รักษา <c oughs> ใช่ไหมแต่ทําทานเก่งคนที่ทําทานเก่งไม่รักษาศีลผู้เจ้าบอกยังไงเธอจะได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่จะได้ทรัพย์ของเดรัจฉานเช่นโยมไปเกิดเป็นสุนัขบ้านคนรวยก็จะสบายหน่อ <c> ย <oughs> มีกินมีใช้มีแอร์ให้นอนมีมุ้งนะใช่ไหม <c oughs> นั้นตรงนี้โยอมเนี่ยนะอกรรมมันส่งผลตามเหตุปัจจัยของมันท่านี้ผู้เจ้าจะแบ่งกรรมอีกสี่อย่างกรรมดํามีวิบากดํามีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวมีและกรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้นโยมบอกว่าเอ๊ะทําบุญดีไหมออกดีแต่มันยังอยู่ในกรรมขาวนะอ่า ทำบาปดีไหมไม่ดีเพราะอยู่ในกรรมดำจะได้วิบากดำ <c oughs> พวกสัตว์นรกพวกอบายทุกตินะกรรมขาวก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมแต่พ้นจากตายไหมไม่พ้นผู้เจ้าบอกเทวดาพรหมนั้นเมื่อเท้าเธอทำกาละแล้วก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยงานกลอยเหมือนกันนะ เ, เคยสุขสบายดีปุ๊บเนี่ยชาติหน้าไปสุใบ ส่วนกรรมทั้งดําทั้งขาวเนี่ยคือพวกมนุษย์มนุษย์นี่ทําทั้งสองอย่างจึงได้รับทั้งสุขและทุกข์ในปัจจุบันส่วนกรรมที่พระเจ้าต้องการให้เราทําจริงๆคือกรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือมรรคมีองแปดอย่างนี้อซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักบวช <c oughs> นั่นคือในมรรคแจะมีสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องใช่ไหมเลี้ยงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนแค่นี้ ยมก็สามารถเป็นอริบุคคลได้นั้นอริบุคคลเนี่ยสามารถเป็นได้ในเพศค า, ารว่า์อย่างนี้นะโสดาบันเนี่ยก็แค่สินห้าบริบูรณ์แล้วอยาวันไหวในพระรัตนตรัยนะเราทําหนังสือไว้ให้แล้ว40กว่า ن ي ยะของความเป็นโสดาบันนะผู้เจ้า ต, ต, ตววรัสไว้รวบรวมไว้ให้ทั้งหมดนะผู้เจ้าถามสารีบุตรเธอรู้ไหมค า, ารว่า์ที่นั่งอยู่ในคนไหนเป็นโสดาบันภาษาลูดกด้วย ทูลให้ผู้เจ้าตอบเพราะไม่ทราบคําตอบเหมือนกันนะพราะผู้เจ้าเลยบอกสารบุตรดูนะถ้าคารวัตผู้นั้นเนี่ยพ้นภัยเวรหประการคือมีศินห้าและสองเขามีโสตาประเดยังนสี่คุณธรรมของความเป็นโสตะบันสี่ประการคือเรื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศินน้ำเป็นที่รักของพระอริเจ้าคือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่งังไม่พลอยให้รู้เถอะว่าคนนั้นเป็นโสดะบันแล้วและให้คนนั้นพยากรตนเองได้เลย ไม่ต้องให้ใครพยากรไม่มีใครพยากรใครได้ถ้าเราพยากร อ, องคุริมานก็คิดว่าไปนรกแต่องคุริมานไปเป็นพระหลานเนี่ยวันอนินอ จ, จังนะเนี่อ่าฮะอ่าฮะ<ม>อ๋อ<ม>อ๋อ <c oughs> <c oughs> ผู้ชจ้าแบ่งบุคคลสามยพวกอย่างนี้ หบุคคลผู้ประเมินง่ายพวกมีวาจาซัดสายนะทุศินน ะ, ะพูดกลับกรอกนะเพิรเจอร์พวกนี้ประเมินง่ายบุคคลผู้ประเมินยากพวกสํารวมอินทรีย์ผู้มีวาจามีที่ตั้งนะไม่พูดเพิรเจอร์นะมีสมาธิพวกนี้ประเมินยากและสบุคคลผู้ประเมินไม่ได้คือพระอาหารหันต์ไม่สามารถประเมินได้พระเจ้าบอกเลยไม่มีประมาณเครื่องวัดสอบใดๆ ไปตรวจสอบความเป็นพระหลานได้เลยนะเพราะนั้นที่คุยกันอยู่เนี่ยมันเกินพอดีกันนะอ่ามันไปยกยอกันเองนะนั้นตัวเขาเองเท่านั้นที่เขาจะรู้นะแล้วมันมีกรณีสําคัญผิดในกรณีถ้าถ้าโกหกจะขาดจากความเป็นพระถ้าถ้าไม่โกหกพูดเรื่องจริงที่ตัวเองมีจริง แต่ถ้าพูดกับพระไม่ผิดถ้าพูดกับผู้ที่ต่ํากว่าพระถูกป ร, ปรบับบาปนะแต่เป็นอาบัาปเบาไม่ถึงกับขาดจากความเป็นพระนะแต่จะมีอีกกรณีหนึ่งคือกรณีตนเองสําคัญผิดคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตรงนี้พระเจ้าก็ไม่ปรับโทษเลยนะไม่ปรับโทษกันเพราะว่าในสมาธิระดับสูงๆเนี่ยมันมีความเข้าใจผิดกันได้นะเพราะคนคนนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้เจตนาหลอกลวงแต่คิดว่าตัวเองนะสำเร็จ อย่างนี้นั้นเวลามีมีพระมาประกาศว่าตนเองเป็นพระหลานผู้เจ้าจึงบอกว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านอย่าเชื่อหรืออย่าไม่เชื่ อ, อยังไม่แน่อย่างนี้ะ <c oughs> จะมีคำถามที่ผู้เจ้าให้ให้ใช้วัดสอบความเป็นพระหลานว่าพระหลานเขาจะตอบมาในแนวนี้แต่เราก็ยังฟันธงไม่ได้แค่ผู้เจ้าบอกว่าถ้าเขาตอบมาในแนวนี้ก็ให้สาธุว่าเราได้พบกับสมณพาหณ์ผู้ประพฤติปรมจรเนี่ย อย่างดีแล้วให้สาธุสาธุสาธุไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้นั่นคือเขาต้องอมีมีหลักธรรมที่จะตอบเรามาได้ตามหลักของพระพุทธเจ้พาพรุทธเจ้าใช้ธรรมะเป็นเครื่องวัดทั้งนั้นไม่เคยใช้อย่างอื่นนะอ่าอ่ามี ภาษาบาลีใช้คําว่าสัจชายะแปลว่าการสาธยายธรรมสัจชายะการสาธยายเนี่ยเป็นหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุตห้าประการนะอย่างที่หนึ่งแสดงธรรมแก่ภิกษุ 2. แสดงธรรมแก่คารวาสสองอย่างนี้ก็เข้าวิมุติได้สมมุติว่าพระองค์นั้นเนี่ยยังไม่บรรลุผู้เจ้าบอกขณะที่เขาแสดงธรรมเนี่ยเขาจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอดซึ่งธรรมไปด้วยกันและจะบรรลุธรรม อย่างที่สมสัจชายก็คือสาธยายธรำแต่การสาธยายพระเจ้าบอกต้องยังไงหนึ่งสาธยายคำพระศาสนาต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นนี่คือลัอกษณะอาการของการสาธยายที่เป็นไปเพื่อวิมุตินะเพราะนั้นอันดับแรกเนี่ยเราก็ผิดกันข้อนประเทศนะเราไปสาธยายสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติใช่ไหมอ่าเป็นบทพันธะที่แต่งเติมขึ้นใหม่ซึ่งจริ ง, รงๆแล้วกลับเป็นเหตุเสื่อมของศาสนา เพราะการยานวัตที่ถูกถ่ายทอดไปรุ่นต่อรุ่นที่ผิดพระเจ้าบอกพระสัทธธรรมจะสูญหายนะเปรียบเหมือนเนื้อไม้ใหม่ที่ทําเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองศึกนะกลองศึกกษัตริย์ทศนาลหะถูกตีไปตีไปที่สุดแตกก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทําเป็นริ่มเสริมไปทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ใหม่นี่คือลักษณะการอันตรธานของสุดตนตาของตถาคตนั้นคนรุ่นหลังก็จะไปเห็น คำสอนอาจารย์ตัวเองดีกว่าดีกว่าดีกว่าไปเลยจนลืมพระเจ้าไปเลยเลยลืมไปลืมไปตอนนี้เราก็ท่านสองพันกว่าปีรู้สึกไม่มีเยื่อใยกันแล้วก็เฉยเฉใช่ไหมขาดเยื่อใยกันแค่เคารพความเคารพแค่การกราบไหว้ไม่รู้สึกว่าเป็นการที่ต้องนําคําสอนท่านมาประพฤติปฏิบัติความรู้สึกมันกลายไปไงอย่างเงี้ยคําพระเจ้าก็จะค่อยๆหายไป น, นี่ลักษณะการเจริณ อถ้าณปัจจุบันนี้ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดณปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนี้เยิมพระสองฝั่งเนี่ยพระปฏิบัติกับพระปริยัติเนี่ยสมมติเราแบ่งกว้างๆสองกลุ่มพระปฏิบัติเนี่ยจะปฏิเสธพระตบิดกอีกนี่ยอก่าจะไปอ่านจะไปอ่านเป็นทฤษฎีต้องปฏิบัติเลยต้องเอาตามคำอาจารย์เรา ก็จะยึดถือระบบอาจาริวาที่ถ่ายทอดกันมานะก็คือไม่อ่านเลยส่วนพระปริยัติอ่านพระต บ, บิฎกแต่ในพระต บ, บิฎกเนี่ยมันมีเนื้อหาอยู่สองส่วนเนื้อหาที่เป็นคำศาสดากับเนื้อหาที่แต่งขึ้นใหม่พระปริยัติไปศึกษาคำที่แต่งขึ้นใหม่ที่เรียกว่าอัตถกถ า, าไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะนะเพราะนั้นในพระต บ, บิฎกเนี่ยตัวเนี้ยของมหามมกุฏ และของมหาจุฬา <c oughs> ทั้งหมดนี้เขาเอามาจากตัวนี้บาลีสยามรัฐถ้ายมไปเปิดในหยิบมาสักหนึ่งเล่มยมจะเห็นว่าเขาเขียนว่าพระสูตรและอัตถคถานั่นคือสองส่วนของในนี้นะพระสูตรคือคําพระพุทธเจ้าอัตถคถาคือคําที่แต่งขึ้นใหม่เห็นนะแต่นักพระปริญติศึกษาคําแต่งใหม่ทั้งหมดนะซึ่งมีมากถึงสามในสี่ของพระทวีด ก, ก็เลยไม่รู้จักพุทธวจนะอีกเช่นกัน สรุปแล้วพระทุกกลุ่มหนีคําศาสดาตัวเองไปหมดเลย<ร>เห็นไหมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเยอะนะแต่งใหม่แต่งจากอะไรเขาแต่งอย่างนี้เช่นว่า <c oughs> ผู้เจ้าตัดมาเนี่ยปั๊บปัปปป๊มาหน้านี้เขาก็จะบอกว่าคําในหน้าเนี้ยขออธิบายว่าอย่างนี้ลองลองคียคําว่าคําว่าบทว่าคําที่แต่งใหม่จะขึ้นต้นเขาไม่ได้แปลเขาหนึ่งเขาใช้ความเห็นตัวเองบ้างนะอหรือว่าไปใช้ จริงๆแล้วต้องใช้พระสูตรอื่นมาอธิบายคำแต่งหมายจะถูกขึ้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าอธิบายว่าลักษณะอย่างนี้นะเพราะนั้นถ้าโยมไปอ่านในพระตวิฎดกแล้วเจอลักษณะคำอย่างนี้นะบทว่านะบทว่านะที่ว่าอนุปัสัมบันเช่นโยมไม่รู้จากคำว่าอนุปัสัมบันิเขาก็จะอธิบายที่ชื่อว่าอนุปัสมบันคือยกเว้นภิกษุภิกษุณีนอกนั้นชื่อว่าอนุปัสมบันนะ ซึ่งจริงๆผู้เจ้าก็บัญญัติไว้แล้วการอธิบายที่ถูกต้องต้องยกเอาคำพระศาสดามาแปะตรงนี้เลยว่าผู้เจ้าบอกอนุปสมบันว่าอย่างไรไม่ใช่ไปพูดเองอย่างนี้นี่คือคำที่พูดเองขึ้นมาซึ่งมีปริมาณมากถึงสามในสี่ของพระทวิดกและพระลุนหลังก็คือไปศึกษาตรงนี้นี่พระราดตรงนี้ไม่ได้ง่ายกว่านะ่วนใหญ่จะคิดว่าง่ายกว่าทุกคนจะคิดว่าคิดเองเลยว่าคาพูเจ้าเนี่ ย, ย แล้วคำสาวกนี้ง่ายแต่จริงๆถ้ายมไปดูในอภิธรรมส2องเล่มท้ายของพระตบิดกที่เป็นคำแต่งใหม่ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหตัวยากเลยพูะเจ้าเนี่ยบัญญัติเจตสิกเนี่ยแค่9้าคำอภิธรรมไปแต่งเจตสิกห้ดวงเจตสิกร้อยดวง80ดสบดวงตัวยากไหมวุ้ยสับแสงมากมายเต็มไปหมดเลยนั่งท่องกันพวกเรียนอภิธรรมเนี่ยแต่ไม่ใช่คาพระเจ้า อภิธรรมจริงๆคือโพธิปัจจะธรรม37พระภัยบูนทีมพระของเราเพิ่งไปหาเจอเมื่อต้นเมื่อปีที่แล้วนะสแกนคําว่าอภิธรรมไปปั๊บเนี่ยที่เป็นพุทธพจน์ะจะมีแค่สิทกว่าพสูตรพระเจ้าจะพูดอภิธรรมไปพีนายคู่กันมาตลอดมีพสูตรเดียวที่พูดอภิธรรมก่อนพูดอภิธรรมจะพูดหมดธรรมขึ้นมาอันหนึ่งคือสติปัฏฐาน 4, สี่สัมมาปัฏฐานสอิทธิบา 4, ทสี 4, อินทรี่ห้าพระห้พ่อชงเจ็อริยมรรคเป็ ตัวนี้คือโพธิปักขิธรรมสาิบเจ็ดคือตัวอภิธรรมนะแค่นั้นเองนั้นพระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องนี้ทั้งหมดอยู่แล้วจะศึกษาอภิธรรมก็คือศึกษาคําพุทธเจ้าที่เป็นธรรมชัติลึกแค่นั้นเองไม่ต้องไปศึกษาคําแต่งใหม่นะนมันสับสนกันอยู่อย่างนี้อือหืออือหือ รรมดาอย่าต้องไม่คิดใช่พระเขาจะบอกว่าอาตมาพูดอาตมาถึงต้องขึ้นจอแล้วขึ้นข้อมูลนะไม่ใช่พระคึกฤทธิ์พูดพระพุทธเจ้าพูดแค่คุณเนี่ยศรัทธาพระพุทธเจ้ามันจะจบเลยคนที่บอกอย่างนั้นคือไม่ศรัทธาศาสดาตัวเองเพราะทุกคําที่เราพูดเนี่ยเราก็ปีพ้พระเจ้าหมดใช่ไหมแต่พระส่วนใหญ่เขาพูดพูดเอง พระที่ไม่รู้ว่าอาตมาพูดคำพูทธเจ้าเขาก็นึกว่าอาตมาพูดเองเป็นความเห็นเองอาตมาต้องพูดตามพุทธเจ้าทุกคำเลยแล้วต้องขึ้นจอให้โยมดูว่าเดี๋ยวเพราะว่าเราจะไม่ตรงกับพระเนี่ยจำนวนมาก<ล>ใช่ไหมอือืมอ่าฮะอ่าะอาตมาว่าได้ผลเนี่ยมากกว่าห้าสิบเอร์เซ็นตขึ้นไป อย่างล่าสุดเนี่ยที่เขามาฝึกกับอาตมาเนี่ยยี่สิบหกวัน <c oughs> ล่าสุดนี้อาตมาก็พึ่งไปบรรยายเขาอีกห้าประมาณเกือบห้าสิบองนะมาจากทั่วประเทศเหมือนกันเรียกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเลยเข้าใจหมดแต่ละคนเนี่ยตอนมาครั้งแรกเนี่ยมาปฏิบัติอยู่สิบวันพกย่ามมีเครื่องรางของครังมาเต็มสลาดทิ้งหมดเลยโยมนะบางองค์เนี่ยบอกแหมผมอยากบวชใหม่ด้วยซ้เลย โอ้โหทำผิดมาบานเลยแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้วใช่ไหมเราให้เขาดูหลักฐานดูที่มาที่ไปทั้งหมดเขารู้แล้วว่าเขาเพึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้เขาไม่ต้องมามีครูบาอาจารย์เลยหรอกพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งพรุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าเธอต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมะของตถาคตสองอย่างไม่ต้องพึ่งใครอย่างเงี้ยอ่าใช่อ่ า, าอ่าอืออือ อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะก็เราทำข้อมูลให้หมดแล้วไงดาวน์โหลดในเว็บไซต์ก็ได้ยมอยากสวดมนต์สาธยายธรรมมีให้แล้วใช่ไหมยมอยากแก้กรรมก็มีให้นะอาตมาทำข้อมูลให้หมดอยากเจรนาปามีให้ทั้งชีวิตผู้เจ้าพูดอนาปาแค่นี้ส2มสิบสองพูตรใช่ไหมเอ่อ อยากเป็นฆราวาส ช, ชั้นเลิศอยากดูจิตหกสิบกว่าพิสูตรเท่านี้สบายๆใช่ไหมมีให้หมดเลยโยมโสดาบันแค่เคี้ยวกลืนใช่อแค่อ่านปฏิบัติทำตามใครจะทำยังไงก็เรื่องของเขาแล้วเราก็าไปห้ามไม่ได้อย่างสมมุติว่ายมไปทำบุญแล้วพระบอกกวดน้ำแล้วกวดน้ำมันไม่ได้พู้เจ้าไม่ได้บัญญัติ โยมไปวิ่งเตรียมน้ําเตรียมแก้วแต่โยมไม่เคยเตรียมจิตตัวเองศาสดาบอกต้องเตรียมจิตเตรียมจิตยังไงพระองค์ตัดกวาเสร็จค่ะบอกเธอต้องเตรียมจิตให้ปราศจากนิวรณ์ห้คืออกุศลนะอกุศลจากนิวรณ์หผูู้ดอกมุมหนึ่งคืออกุศลสาอย่างคือการปฏิบาติเบ็ดเบียนนั้นโยมจะไม่วิ่งเตรียมอุปกรณ์ผิดแก่โยมจะเตรียมอุปกรณ์คือใจเราต้องนั่งสงบนิ่งๆไม่วิ่งหาน้ําหาแก้วกันให้วุ่นวายใช่ไหม แล้วจากนั้นเนี่ยผู้เจ้าก็ให้ตั้งเจตนา <c oughs> นะทำจิตของเธอประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทที่หนึ่งสองสาสี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางคือพระสูตรนี้นะเห็นนะนั้นจะมาบอกอาตมาพูดเองไม่ได้ <c oughs> มีพระสูตรรองรับหมดนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเลยอ่ไ ม, ไม่ไม่ต้องทำเลยนะอ่ฮะ <c oughs> <c oughs> อ่ะฮะอ่ะฮะนั่นนั่นคือพูดเองแล้วไงพูดเองพอพะผูเจ้าไม่ได้พูดเวลาใครพูดมาเนี่ยต้องอ้างว่ามีผู้เจ้าพูดไหมแม้แต่หลักการเลยนะหลักการเนี่ยผู้เจ้าเคยพูดปะพอไปเชื่อว่าหลักการนั้นถูกมันจะผิดตามกันไปเรื่อยเหมือนกับคําพูดที่บอกว่าคําสาวกเนี่ยง่ายกว่าจบเลยนะโยมง่ายยากแกต้องเอาไว้ทีหลังต้องเอาว่าจริงกับปลอม ถูกกับผิดอยู่ตรงไหนคำพระเจ้าคือถูกหมดไม่มีข้อผิดนั่นนะต้องวิ่งไปหาตรงนั้นยากก็ต้องศึกษาใช่ว่าต้องอย่างนี้เนี่ยอ่ะฮะอืมอ่ะฮะอืมอืมใช่อ่ะฮะมันเข้าใจเข้าใจได้ใช่สุดยอดอ่าเรียกว่าโยมนะ ลองอ่านพุทธวจะนะสักปีเดียวนะอัตมาขอปีเดียวโยมจะวางหนังสืออื่นหมดเลยจะเกิดความความรู้สึกนี้ขึ้นมาในทุกๆุกคนคำผู้เจ้าเนี่ยเป็นปฏิหารจริงๆผู้เจ้าจึงบอกอนุสาสนีปฏิหารนะคำอื่นมันจะหมดราคาผู้เจ้าจึงเปรียบแสงคาพูดของพระองค์เปรียบเหมือนแสงอาทิตย์คําพูดคนอื่นเหมือนแสงหิ่งห้อยดวงอาทิตย์ถ้าขึ้นแล้วหิ่งห้อยจะอับแสงคําพูดคนอื่นมันหมดราคาจริงๆเยมมันไร้สาระโยมจะไม่อยากอ่านหนังสืออื่น นะ <c oughs> อืออืมอ่าฮะอ่าฮะใช่ก็คืออย่างนี้ไงถ้าสมมุติว่าท่านพูดมาหนึ่งหน้านะครึ่งหน้าคือคาพุทธเจ้าอีกครึ่งหนึ่งคือคาที่ท่านแต่งเองถ้ายมไปจับไอ้ครึ่งที่แต่งเองก็พลาดไปยมไปจับได้ตรงครึ่งที่เป็นคำพุทธเจ้าก็โชคดีไปใช่ เพราะนั้นผู้เจ้าจึงบอกวิธีแก้ไว้ให้หลักนี้เรียกหลักมหาประเทศสี่เวลาฟังคลำใครพูดมาหรือโยมอ่านมาปั๊บเนี่ยผู้เจ้าบอกอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านเอามาตรวจก่อนเราจึงสร้างระบบวิธีตรวจให้เร็วไงไม่งั้นโยมไปนั่งเปิดสี่0สิบเล่มหมดแรงใช่ไหมเพราะนั้นพอยมอ่านส่วนนี้ปับ๊บเอ๊ะไม่แน่ใจขีปั๊บเข้าไปไม่มีอแสดงว่าพูดเองอ่าอย่างเนี้ย <c oughs> อ่าฮะใช่ใช่ใช นี่คือหลักมหาประเทศ4ีหลักป้องกันความเสื่อมของคำตถาคตนะแล้วจะตรวจยังไงก็คือจำที่เขาพูดมาเนี่ยแล้วเอาไปตรวจในคำของตถาคตซะก่อนอย่างเนี้กกยเมนะื่อกี้เดี๋ยวเมื่อไงนั่นเสร็จอืมนะฮะนะฮะนะฮะ จริงๆ ม, มีมีหลายประสูตรมาก <c oughs> <c oughs> เพียงแค่อันดับแรกเนี่ยเราต้องทําให้ทุกคนศรัทธาพระเจ้าก่อนถ้าทุกคนไม่ศรัทธาพระเจ้าทุกคนจะมีหลักยึดหลักคิดของตนเองหรืออาจารย์ของตนเองก็ไม่ลงกันอยู่ดีนะเวลาปัญหานี้จะถูกแก้ว่าอ่ะคนนี้พูดอย่างเนี้ยบอกไม่ใช่อาจารย์ฉันพูดอย่างนี้นายนี้พูดอย่างนี้นายนี้พูดนี้ทุกคนไม่ยังไม่ยอมพระเจ้าไง ใช่ไหมอย่างผู้เจ้าบอกว่าวิธีแก้ปัญหาถ้าเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นไม่ลงกันผู้เจ้าบอกหนึ่งสมมุขาวินัยถึงการประชุมพร้อมหน้ากันทุกฝ่ายทุกวันนี้มีการเอาทุกฝ่ายมาคุยกันไหมไม่มีเห็นนะอย่างที่สองใช้เยปุยสิกาเสียงข้างมากก็เหมือนกันเราเลือกตั้งที่ผ่านมาเราก็คือใช้เสียงข้างมากแต่ก่อนจะเสียงข้างมากเนี่ยต้องมีการประชุมกันทุกฝ่ายก่อนถ้าเกิดไม่ลงรอยกัน แล้วหาข้อยุติได้ 1, 2, 3, 4, 5สสี่ห้าเราใช้เสียงข้างมากโบทดนั้นถ้าเราทำระบบ <c oughs> วิธีใช้เสียงข้างมากได้อย่างบริสุทธิยุติธรรมปั๊บเนี่ยมันจะเป็นมนาตรฐานเลยเยงเราจะมาว่าน่าจะใช้คนเก่งๆทั้งหลายเนี่ยมาคิดวิธีตรงนี้ดีกว่าเช่นเคยคิดว่าเราทำบอดเนี่ยของแต่ละจังหวัดเนี่ยทุกจังหวัดทั่วประเทศมาอยู่ที่เช่นสนามฟุตบอลสนามหนึ่งนะ อ่านไปปุ๊บเนี่ยมีบอร์ดทุกจังหวัดเลยแล้ว <c oughs> ต้องการจะบทเสียงเนี่ยปั๊บเนี่ยขึ้นบอร์ดเลย <c oughs> เดี๋ยวนั้น <c oughs> วินาทีนั้น <c oughs> เดี๋ยวนั้นเนี่ยได้ใช่ไหม <c oughs> ทุกคนมีมือถืออยู่แล้วเนี่ยบทเสียงเข้ามาได้เนี่ยกดเข้ามากดเข้ามาสมมุติว่าบอกว่าเทคโนโลยีโกงได้ต้องดูว่าจุดไหนที่โกงได้ก็เอานักข่าวเอาคลายต่อคลาเอากล้องเครื่องไปจับใช่ไหมแต่ละจุดแต่ละจุดและประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินของเทคโนโลยี จากมือถือไปที่สถานีไหนจากสถานียิงไปที่ดาวเทียมไหนจาก ด, ดาวเทียมยิงลงมาที่สถานีไหนบอกขั้นตอนให้หมดและเอาทุกคนไปประจำอยู่ทุกที่นะเวลาจะเลือกสอสอสอวแม้กระทั่งเลือกสอจอบต อ, อะไรใช้ได้หมดเลยโยมใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมีนโยบายนะต้องการประชามติของคนทั้งประเทศเอ๊ะตรงนี้จะเอายัางไงปับ๊บขอมติปับ๊บเสร็จเลยได้ละคนทั้งประเทศต้องการแบบนี้รัฐบาลคุณเดินไปเลยตามนี้ งไม่มีใครค้านด้วยอย่างเงี้ยเราลงทุนซะหมื่นล้านแสนล้านก็ยังได้เราลงทุนสร้างทางด่วนเป็นแสนล้านก็ยังทาทาได้ใช่ไลงทุนตรงนี้เราใช้ไปได้ตลอดเลยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นไอเดียหนึ่งใช่ะหมอ่าอย่างเงี้ยน่ารำคาญค่ะที่เห็นการได้มีค่ะมาอบรมที่วัดเนี่ยต อ, อนนีมีใหมที่ดีเพราะว่าเราไปแก้ที่ปลายเหตุมันก็ยากนะอ่า วันนี้ก็แข่งขันกันที่แ้แบบว่าวัดเคจะงามกกันออเก็จะเป็นแบบจริงจรงแล้วเทกาี่วัจาวัมค้างเนียบพระองค์นี้ไมอันนี้อันนี้อันนี้เพื่อที่จะแข่งขันกันให้แบบไปหยดทำบุญแต่ละที่แต่ละจุดออย่างเงี้ยจะีกันะ ว่าคิดว่าเป็นไปได้เพราะว่าอย่างอย่างรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเกือบห้บองค์นยโยมโอ้โหสละเครื่องรางของขังกันหมดเลยแล้วก็ทำตัวใหม่หมดก็เป็นที่ปรับปื้่มสำหรับพระที่ไปฝึกอบรมมาว่าเฮ้ยเราเราเราเปลี่ยนความเห็นของพระได้แล้วพวกเนี้ยอยู่กระจายทั่วประเทศก็จะไปสอนที่ของตัวเองอย่างเวลาเราอบรมเนี่ยอย่าง26ิวันแรกเราแจกโน้ตบุ๊กให้ท่านทุกองเลยนะ อัดข้อมูลเข้าไปให้เต็มเฮ้ยท่านเนี่ยมีข้อมูลไปศึกถ่ายทอดในจังหวัดของท่านในวัดของท่านนะให้กับญาติโยมงั้นเราจะให้ข้อมูลท่านเต็มที่ <c oughs> แล้วแตมาคิดว่าในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ที่พระทั้งประเทศไทยจะเป็นหนึ่งเดียวและถ้าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลกก็สามารถทําได้ด้วยศา ส, สนาจะแผ่ไพศารไปทั่วโลกอีกรอบหนึ่งซึ่งมันเคยเกิดมาแล้วในครั้งพุทธการนะ <c oughs> ยัง ชเนี 3> 3 nhà, là, yeah, uh ่ย huh ป mm ันกต่เองค่อนข้างจะีม huh. uh ี huh. ่าทมาบ้านใหม่จะไม่เสาเอกเสาโตอะไรเงี huh. uh ้ยนะครับ huh. ว yeah. ็่อเรื่องราขอพูดือสักูนใช่การปรับตลักษณะอเงี้ยที่พคืองีเราอยู่ในสังคมอย่างั้นนะฮผมก็ต้องปรับตัวเข้าไปกับสังคม อ่าฮะารบบ้าน sure. ีเราก็ต้องเคารพารูอรประมาณอืฮึใทางีเพนะเนี่ยก็ามาก็ไม่ีเร <Yes, er ื่องนี้ใช่อจได้มา่งครับเราต้องท่าให้ให้ความรู้เขาเยอมเหมือนกับพ่อแม่เราอ่ะที่เขาไม่มีศรัทธาแล้วพระเจ้าบอกดึงให้เขามีศรัทธาศรัทธาในใครไม่ใช่ศรัทธาในสารพภูมิผีสางนางไหมศรัทธาในพระพุทธเจ้า โยมต้องเอาข้อมูลตรงนี้ให้กับเขาเหมือนโยมคนหนึ่งเนี่ยนะเขาก็พยายามจะดึงพ่อเขาเนี่ยมาฟังธรรมครานิมีโมนาตมาไปบรรยายที่โรงงานเขาปรากฏว่าพ่อขับรถหนีออกไปเลยนะเสร็จแล้วพอบัญญายเสร็จพ่อค่อยกลับเข้ามาเขาก็เอเอาไงต่อดีพอดีไปส่งพ่อที่ต่างจังหวัดเมืองจันทร์เขาก็พาพ่อไประหว่างนั่งรถก็เอาซีดีใส่ภาพเปิดให้ฟังตลอดทางนะ ไฟบังคับเลยจะหลับจะตื่นก็ต้องได้ยินพอลงรถปั๊บที่เมืองจันบอกลูกมีอีกแผ่นไหมพ่ออยากฟังอ่าเข้าหัวละใช่เพราะฉะนั้นการายาณมิตรเนี่ยโยมพาคนไปฟังธรรมนะการายาณมิตรพระศาสดาจึงบอกเป็นลุ่งอรุณของธรรมนะนะเราได้กรารยานมิตรชักชวนให้มาได้ยินได้ฟังธรรมนั่นแหละน ะ, นะและ้วแตมายังคิดว่าต่อไปเนี่ยเราจะปรับได้ถึงระดับประสรวงศึกษาและสํานักพุทธ เพราะว่าทางทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาฟังเรื่องพุทธวจนะเนี่ยที่วัดอาตมาร้อยกว่าคนแล้วซักถามกันได้ความเข้าใจกันดีมากเลยอันนี้คืออันนี้ผ อ, อ, อนะแล้วก็นี่เจ้าหน้าที่ในทำเนียบทั้งหมดร้อยกว่าคนน ะ, ะหลังจากได้ความเข้าใจแล้วเนี่ยก็ <c oughs> นิมนต์ไปบรรยายที่ธรำเนียมนะอันนี้คือภาพบรรยายที่ทำเนียมอันนี้ที่สํานักพิธีการ อเลขานายกรัะทวนตีก็ได้ความเข้าใจเหมือนกันก็เลยอยากให้มีการจัดตรงเนี้ไปตลอดนะแล้วก็ได้ไปไปทำบุญที่ทมเนียมในการทาบุญที่ในส่วนสำนักพิธีการเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรไม่มีน้ำมนต์ไม่มีสายศีลไม่มีตลประปับก็ไปฉันแล้วแสดงธรรมเหมือนอย่างผู้เจ้าเข้าบ้านหนึ่งฉันอนุโมทนาแสดงธรรมจบแล้วแค่นี้กลับ ก็นะเพียวๆศาสนาพุทธตรงๆเห็นนะเขาก็รับได้ก็ไม่เห็นมีอะไรอาตมาว่าต่อไปก็น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและถ้าตรงนี้ซึ่งเป็นหลักของประเทศเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นขา้าราชการประจําทั้งหมดนะซึ่งรัฐบาลจะเปลี่ยนก็ไม่มีปัญหาพวกนี้ยังคงอยู่ก็เสนอรัฐบาลได้นะอย่างนี้อืาฮ <c oughs> อ่าฮะ เลยฮะอ๋อๆกำลังสร้างกำลังสร้างเราสร้างได้เยอะถ้าอย่างพรุ่งนี้เรามีทีมเด็กๆนะที่จะสาธยายธรรมะเนี่ยให้โยมลองดูทีมของน้องน้ำบุญนะน้องน้ำบุญเจ็ดขวบพูดพุทธพจนะได้แล้วทรงจำพุทธพจนะได้ นะเดี๋ยวให้ดูซีรีส์เด็กนะใช่ใช่นายน้องยุนว่ามาเลยมีค่ะประถมทำมาสองร้อยสีค่ะสองรมทำว่ายังไงเนาะผสมทำคือเล่นนี้เราแจกเข้าไปกับละครบิ๊กโซ่ทั้งหลาย อาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลจเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นของรับนับเป็นของพรานีเป็นของจิ น, เ, นเป็นสุขาวิหารและย่อมย่อมอกุศลและทำอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดที่แล้วให้อัจะถิย์ไปโดยควรแก่ฐานนะได้ฉันนะ สัมมาปัสสังนิพนธิติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบืนายนันทิขยาลาคยาโยลเพรานนนมชะความสิ้นไปแห่งลคะลาคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งลาคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิลาคขยาจิตตังสุนมุตติมุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและลาคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ จิตห้ทนกานจิตันการงานว่าไปเลยก็ตอนนี้เรารวบรวมได้ประมาณ3 0 4สิิคนแล้วรุ่น8ดขวบขวบ7จ็ขวบอะไรพวกนี้นะต่สุดตอนนี้ขวบนคล่องแล้วก็สูตรนี่ก็้อความนี่ตั้นแต่การพิมที่หที่้า่องแล้วก็สูตรนี่ก็อานที่ตั้งแ่การพิม์ที่หใท้จะมีอยู่คนชื่อเจเดนนี่ท่องในทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะเป็นรูปของชาวเมกันก็ท่องปฏิจจสุวะเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อเยี่ยมเลยเมื่อความาไการไปแรไปผมคิดว่าได้เวลาสมควรแล้วผมคิดว่าเป็นคำถามสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าในส่วนส่วนนี้ผมจะต้องให้สมาชิกอาวุโสของรัฐรีกุเทศมันดอกขอเป็นคำถามสุดท้ายโดยขอเชิญท่านอาจารย์พัฒ เป็นคำถามสุดท้ายฮะเพราะว่าท่านยังไม่ได้ถามเลยฝากอาจารย์ถามด้ฮะครับม่ถามขอลองสุดท้าย่มปได้ยังไงเด็กเกิดใหม่เิปเนี่ยไม่ได้อืมคนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กอ๋อ อ, อ, อ๋อไม่ยากโยมให้เข้าไปดูดิสคัฟเวอรี่วัวควายมันออกลูกมามันเดินได้เลยนะดูดนมวิ่งตามแม่ปุ๊บๆเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเลยว่าโพธิสัตว์เนี่ยจะตั้งท้องนานกว่าปกติ10เดือนเต็มนะเพราะนั้นร่างกายจะมีความสมบูรณ์มากเพราะนั้นขนาดสัตว์ยังทำได้เลยมนุษย์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันโยมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อัตมาเคยไปบรรยายน <c oughs> ร่วมกับคลิป พุทธอิสลามอาตมาตัวแทนพุทธตัวแทนคริสต์ตัวแทนอิสลามคุยกันที่ไบเทคบางนาคนฟังเกือบพันเหมือนกันนะอาตมาเอาอะไรจะไปพูดอาตมาเอาปฏิจจสุวาาไปพูดกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครปฏิเสธได้อิสลามฟังอย่างชอบเลยสั่งทีวีอิสลามบอกไอ้เทปนี้ต้องเอาไปถ่ายทอดทั่วโลกนะเขาชอบธรรมะของเรา<ม>เห็นนะไม่น่าเชื่อเพราะว่า อิสล า, ามก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันเคยช้อปปิ้งเหมือนกันอันตมาบอกตรวจสอบ ป, ปฏิจจสุวัทง่ายๆเดินช้อปปิ้งเนี่ยตากระทบรูปเห็นกระเป๋าแล้วชอบไหมชอบเกิดอยากไหมอยากภาษะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานจ่ายเงินซื้อกระเป๋าฉันแต่ก่อนกระเป๋าห้างกระเป๋าห้างหายเธอไม่ทุกกระเป๋าเราหายเราทุกเห็นนะเนี่ยอุปทานเกิดแล้วอิสล า, ามก็ไข้ควรแต่เออมันใช่ไหมนะคิดก็ว่าเออใช่ก็คิดก็มีตาหูเหมือนกัน ผู้เจ้าเนี่ยอธิบายธรรมชาติของมนุษย์นะที่มีอยู่จริงและเลื่อนไหลไปตามเหตุปัจจัยซึ่งไม่มีใครสังเกตผู้เจ้ายืนยันเลยว่าคนทั้งโลกไม่มีใครพูดเรื่องปฏิจจสุบาทเพราะมันเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นอาการจิตเราเองแต่มันไหลยอย่างรวดเร็วจนไม่มีใครสามารถสังเกตทันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยต้องเลือกมุมธรรมะและถ้าเราเช็คธรรมะตรงนี้ได้แล้วนะโยมตัวอื่นเนี่ยมันจะค่อยๆตามมา เมือเราเช็คทฤษฎีไอนสไตน์ I Star. ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถรู้ทฤษฎีของไอน์สไตน์ได้ทั้งหมดอย่างสมมุติไอน์สไตน์ Star คิดมาพันสูตรุพึ่งแกะได้แค่ไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยสูตรใช่ไหมเอามาทําปรมัมมานูทําโน่นทนํานี่แต่เราจะไปประเมินว่าสูตรอื่นๆที่ไอน์สไตน์คิดมันผิดได้ไหมกลัวไม่ได้มันก็ถูกมาตั้งเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจสอบคําพูดเจ้าถูกสัก5 0าเราเริ่มประเมินได้แล้ที่ท่านพูดอย่างอื่นเนี่ยน่าจะถูกด้วยอย่างเงี้ย เอาจารย์ขออีกคำถามนึงคื อ, อที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วมีไหมเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางทัศ พ, พรมแล้วก็ผีวิ ญ, ญญาณเนี่ยจริงไหมครับคําว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยต้องถามว่าเป็นคําศาสดามไหมถ้าไม่ใช่คำสัจธรรเราไม่ฟังนะหลักการผิดปั๊บพอเราไปเชื่อปั๊บมันผิดไหลตามกันมาเลยเหมือนกับว่าผู้เจ้าเนี่ยนะ แต่สรูเสร็จปั๊บเนี่ยพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกว่าได้ข่าวว่าสมณโคดมไม่กราบไหว้ใครเป็นการสมควรแล้วหรือยังบวชมายังหนุ่มยังแน่นพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่เขาบวชมาเป็นร้อยปีทําไมไม่เคารพอ่าโดนไหมโยมก็กําลังโดนข้อหาไม่เคารพเจ้าที่สารภูมิอะไรต่ออะไรใช่ไหมแต่ถ้าโยมเป็นโสตบันนะ่ะตกลงแล้วใครเคารพใครเจ้าที่ต้องเคารพเราหรือเราเคารพเจ้าที่ใช่ไหมอ่า ผู้เจ้าอุปมาว่าอย่างไงบอกพรามนะแม่ไก่เนี่ยออกไข่มา8ดฟองสิบฟองสิบสองฟองก็ดีลูกไก่ตัวใดเจาะกระเปาะฟองไข่ออกมาได้เป็นตัวแรกตัวนั้นควรถูกเรียกว่าเป็นผู้พี่ใช่ไหมพรามณ์ก็ตอบว่าใช่นะตะถาคตเจาะกระเปาะฟองอวิชาออกได้เป็นคนแรกเข้าถึงความไม่ตายแล้วไม่ถูกไม่ควรถูกเรียกว่าเป็นผู้พี่เหรอทุกค น, นต้องเคารพตถาคตสิเนี่ยเหตุผลของผู้เจ้า เพราะไม่มีใครเข้าถึงความไม่ตายได้ผู้เจ้าเพิ่งเข้าได้คนแรกใช่ไหมอย่างเนี้ยอนั้นก็จะมีการโต้วาทะกันในยุคนั้นเนี่ยมากมายเลยว่าธรรมะของใครจริงเพราะทุกคนก็ประกาศของตัวเองจริงหมดเนี่แหละนะอันั้นเราเคารพกันที่ตรงนี้นนอไม่ต้องเลยเยิมอันนั้นคือพระตัวพระมีมิจฉาทิฏฐิ พระที่ไม่ศึกษาพุทธวจนะผู้เจ้าบอกเลยว่าเวลาเธอบอกสอนเนี่ยเธอจะพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวเพราะธรรมะเป็นของลุ่มลึกเป็นสิ่งอันเป็นวิสัยยากที่จะหยั่งลงด้วยความตรึกนะเป็นวิสัยของบุคคลผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยจะเห็นได้นะเพราะนั้นโดยหลักธรรมะจริงๆมันก็ไม่ใช่ง่ายอยู่แล้วนะเรายิ่งไม่ตั้งใจเนี่ยยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยแต่มันไม่เกินวิสัยของมนุษย์จะรู้ได้ มนุษย์เนี่ยรู้ได้เพราะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมต้องคือต้องตั้งใจอ่านมันไม่ใช่แบบพ็อกเก็ตบุ๊กที่อ่านปื๊ดปื๊ดมันจะเข้าใจนะมันคือคําพระพุทธเจ้าของเราสับพันอยู่แต่ถ้าโยมตั้งใจอ่านโยมเข้าใจเข้าใจเข้าใจหมดเลยนะแล้วโยมจะวางอย่างอื่นหมดเลยนะโยมจะชอบมากนะเชิญครับอจะถามในประเด็นที่ว่าพระพุทธวจนะหรือว่าธรรมะจากพระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์เนี่ยยึดถือพระไตรปิฎกของประเทศไทยเป็นหลักหรือหรือไม่นะฮะ <c oughs> เพราะว่าพระไตรปิฎกของประเทศอื่นที่เป็นพุทธเนี่ยทั้งมหายานอินยานเนี่ยบางครั้งก็ไม่ตรงกัน <c oughs> นะครับถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประเทศจีนก็พระถังนําจังก็ไปนํามาจากอินเดีย <c oughs> แล้วอย่างประเทศไทยเนี่ย <c oughs> ก็เคยเสื่อม ต้องไปนิมนต์พระจากลังกาเราเรียกนิกายของเราว่าลังกาวงาแล้วลังกาก็เคยเสื่อมก็มาที่ประเทศไทยก็นับถือพระหลักธรรมไปเรียกว่าสยามวงแล้วอย่างพม่า ก, กับไทยบางครั้งเนี่ยพระไตรปิฎกก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ท่นนี้อยากจะเรียนถามว่าหลักของท่านอาจารย์ที่ ยึดถือว่าพระพุทธจนะเนี่ยใช้จากฉบับไหนแล้วก็ uh huh. เมันจะตรง ก, กันกับประเทศอื่นหรือไม่นะครับ uh huh. อันนี้ก็คือเออล่าเท่าที่ผมจําได้เนี่ยก็คือว่าถ้ามีคําว่าตถาคตกล่าวไว้ท่านอาจารย์เขจะถือว่าสิ่งนั้นเป็นพระพุทธธรรมะอันนั้นมันอยู่ในพระไตรปิฎกไทย ใช่หรือไม่นะครับเรียนถามกว้างๆแค่นี้ครับเป็นอย่างนี้เราไล่หลักฐานเลยนะเอามาไล่หลักฐานกันใหม่สมมุติว่า <c oughs> เอาแค่ประเทศไทยก่อนนะยังยังไม่ต้องไปต่างประเทศนะเดี๋ยวจะขยับไปต่างประเทศต่อให้ดูเอาแค่ประเทศไทยก่อนตอนเนี้ยสองสำนักใหญ่ในประเทศไทยคือมหาโมกุฎมหาจุฬาคือสองสำนักนี้นี่คือของมหามมกุฎเก้าสิบเ็ดเล่มโยมไปดูวัดธรรมยุทธทั่วประเทศจะเจอพระไตรบิดกตัวนี้ วัดมหานิกายทั่วประเทศจะเจอพระแตบิดกชุดนี้45เล่มชุดนี้91เล่มสองตัวเนี้ยเขาบอกเขาเออกมาจากบาลีสยามรัฐตัวนี้นะบาลีสยามรัฐตัวนี้ <c oughs> ปี2538ยังไม่ใหม่พอนะอะ่ยังไม่เก่าพอมีเก่ากว่านี้อีกตอนนี้เราได้ไม่ได้ติดมานะอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูในจอเอา <c oughs> ตอนนี้เราได้อ่ บารีเสีมัดรุ่นปีสนะองสี่หกแปดอ่ะเพราะเราไปซ่อมให้ของมหาจุลานี่คือรุ่นปีสองสี่กแปดเลยถ่ายรูปเก็บไว้ที่วัดนะอ่าจากนั้นเนี่ยเรามีเวอร์ชั่นตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่ห้านะรชัชกาลที่ห้าก็คือตัวสองสี่สามหกอ่ลองให้ดูสองสี่สามหกตอนนี้เขาถ่ายเป็นไมโครฟิล์มเก็บไว้หมดนะ <c oughs> เพราะนั้นไล่เลียงไปไล่เลียงทุกๆุกสำนักนะ อ่าอันนี้สองสี่สามหกนะอัคลาเปลี่ยนยังไงอาตมาเอามาเปรียบเทียบให้หมดเวลาโยมโค้ดเข้าไปถ้าโยมอพอจำบาลีได้โยมลองดูคำว่าพันเตคำว่าพันเตดูสิสมัยราชกาลที่ห้าใช้วันยุกเนี่ยสองตัวไม่เหมือนกับในปัจจุบันที่บาลีใช้พอนอและจุดข้างล่างแล้วก็สระเอต่อเต่าเห็นนะแต่สมัยราชกาลที่ห้าจะใช้มานากาแล้วก็ตัวหยกัยกหยกคล้ายๆเลขก้าตัวนี้นะ เราต้องการหลักฐานเก่าเพื่อมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ว่ามันถูกเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะอะไรเปลี่ยนแปลงแต่อาคละเนี่ยไม่เปลี่ยนแต่พวกวรรณยุกเนี่ยเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไม่เยอะนะนั้นตรงนี้โรงเรียนในร้อยเนี่ยได้ถ่ายเป็นไมโครโฟิล์ไมไ้หมดนะเก็บข้อมูลเอาไว้และตัวนี้เราก็จะเอามาซ่อมให้เขาด้วยนะแล้วเราก็จะถ่ายนะสแกนไว้ทั้งหมดนะ <c oughs> อันนี้ท่านผู้ทา่าทำนะอันนี้ท่านผู้ทา่ารำ อท่านผู้ท่านเนี่ยใช้จากไหนท่านผู้ท่า น, านมหาจุลามหามงกุฎนะใช้จากตัวนี้ตัวเดียวใช้จากที่รอห้ารมไล่หลักฐานก่อนนะเพราะฉนั้นเอาแค่ในประเทศไทยนะหลักฐานที่เก่าที่สุดคือตัวของรัชการที่ห้านะ <c oughs> มาอย่างนี้นะรอห้าเนี่ยเอามาจากไหนรอห้าเอามาจากรัชการนี่หนึ่ง นี่คือข้อมูลที่อธิบดีกรมอายการสมัยรัช ก, กาลที่5เก็บข้อมูลเอาไว้ว่าใครทำอะไรบ้างในรัช ก, กาลที่หนะึ่งะรอห้าใช้5ปีในการที่ประชุมพระร้อยกว่ารูปที่วัดพระแก้วนะแปลจากพระแตบิโดกที่รัช ก, กาลที่1ทำเอาไว้ด้วยอักษรขอมที่เก็บไว้ที่หอมนเทียนธรรวัดพระแก้วเอามาแปลเป็นอักษรสยามและลงมาจนไล่เลียงเป็นปัจจุบันนี้นะ เพราะนั้นแต่ละคนไม่ได้ใช้ข้อมูลอื่นเลยนะทุกคนยิงไปที่บาลีสามลัตตัวเดียวนะท่า น, นี้รอหใช้ข้อมูลจากไหนโยมรอหใช้ข้อมูลจากรอหนึ่งปี2331าารัชการที่1ขอประชุมพระทั่วประเทศ200กว่ารูปประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชคือวัดมห า, าธาตุยุวราช ล, ลังเสริฐปัจจุบันนะใช้เวลา5เดือนในการคัดลอกพระตถาดกใหม่ทั้งหมดโดยยืมมาจากลาวและลามัน2 ประเทศเพราะตอนนั้นหลักฐานของไทยกรุงศรีถูกเผาเกลี้ยงหมดพระตาบิดกไม่มีในประเทศไทยรชัชการที่หนึ่งเห็นประโยชน์ตรงนี้ขอประชุมพระช่วยกันลอกจึงลอกใหม่หมดเลยนะใช้เวลาอยู่ห้าเดือนล้อหนึ่งเนี่ยไปบัญชาการเองเลยถวายอาหารเช้าถวายน้ำปานะตอนเย็นทุกวันตลอดเวลาหาเดือนและสังเกตว่าไม่มีถวายอาหารเพนเห็นนะ แสดงว่าอาหารเพลเนี่ยพึ่งมายุคใกล้ๆนี้เองและเช็คในพระสูตรในครั้งกุศการพระฉันมือเดียวไม่มีมื้อเพลนยมไม่สามารถสแกนหาคําว่ามื้อเพนเจอเห็นนะเราดูความผิดเพี้ยนมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนี้เองโยไม่ได้ไกลเลยรหนึ่งไม่มีถวายอาหารเพลห้เดือนเนี่ยไม่หลุดไปถวายอาหารเพนสักวันเลยเหรอไม่มีโยมีแต่เช้ากับเย็นเย็นเนี่ยคือถวายน้ําปนะเช้าคือถวายอาหารเช้าแค่นั้นเองในประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้นะจากนั้นเนี่ย รอหนึ่งออกมาจากไหนถ้ายมไปที่หอพระแตบิดกนานาชาติอักษรศาสตร์จุฬาเขาจะมีบันทึกตั้งแต่ว่ารอหนึ่งเนี่ยไปเอามาจากยุค <c oughs> ล้านนาและทวาราวดีซึ่งทวาราวดีในยุคนั้นเนี่ยเราเจอหลักฐานที่ลบบุรีและที่เพชรบูญนะเป็นก้อนศิลาตัวนี้ น, นะสลักอะไรอักษรปัราวาภาษาบาลีอักษปรปารภาษาบาลีที่ลบบุรีสลักอะไร สลายตนาปั จ, จยาภัสโสพเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาตรงไหมตรงกับบาลีสามลัฐเดี๋ยวจะยงไปให้ดูประเทศอื่นทั่วโลกนะที่เพชรบูรณ์ตัวนี้สลักเหมือนกันปฏิจจสูบาทเหมือนกันอักษรปรารวะภาษาบาลีเหมือนกันนี่เพราะดับเวทนาตันหาก็ดับเวทนานิโรโทรเวทนานิโรธาตันหานิโรโทรตรงกันเป๊ะนะนักภาษ า, าศาสตร์แปลออกมาได้อย่างนี้นะ โยมลองไปดูว่าทวารลาวดีเอามาจากไหนทวารลาวดีเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชพระเจ้าโศกมหาราชอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปเิณิพานเกิดศรัทธาในาพระศาสนาทรงสมณทูตไป9้าวสายกระจายคําศาสดาไปทั่วโลกนะพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยสลักข้อมูลลงในเสาหิ น, นโศกนี่คือเสาหิ น, นโศกถ้ายอมไปที่อินเดียโยมจะเห็นอักษรพราหมีภาษาประจิตนะ นี่เป็นต้นกําเนิดอัคาราอินเดียของปัจจุบันเหมือนกับเรามีศิลาจารึกพ่อขุนรามกําแหงนะเป็นต้นกําเนิดอัคาราของเรานี่คือที่พิพิธภัณฑ์ในอินเดียนะเขาจะมีอัคาราเลยเรียงตั้งแต่สาวินาศมาถึงยุคปัจจุบันของเขาอาัคาระเขาเป็นยังไงมีพัฒนาการยังไงบ้างนะเพราะฉะนั้น <c oughs> พระเจ้าโศกเอามาจากไหนเอามาจากการทรงจําของพระในครัง้งบุตรการเพราะอยู่เฉดเฉดพระเจ้าประมาณ200ปีแค่2ชั่วคนแค่นั้นเอง ยังมีพระที่หลงเหลืออยู่จากครั้งพุทธกาลนะได้จากการทรงจำที่ถ่ายทอดกันมามุขป า, าถ่ายทอดทางปาก น, นั้นในช่วงที่มีการสังเวยนาตั้งแต่พระหลาน500ร้อลูกก็ถูกทรงจามาและถ่ายทอดนี่คือลาดับนั้นหลักฐานเดียวกันหมดทีนี้โยมไปดูว่าหลักฐานนี้กระจายไปทั่วโลกที่ไหนบ้างล่าสุดที่เราอัญเชิญมาจากนอร์เวย์คือไบาลานที่อัฟกานิสถาน นี่คือสถานที่ที่ไปเจออัฟกานิสถานถ้านะถ้าอันนี้นะและนี่คือเศษซากที่เจอใบาลานเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเอามาต่อกันนะนักโบราณคดีก็แยกแยกนี่เป็นนักโบราณคดีชาวญี่ปุ่นทํากันหลายคนเอามาต่อได้เป็นใบาลานอย่างนี้เห็นไหมโยมอ่าเป็นตัวอักษรเลยไม่ใช่ง่ายนะเล่นกันหลายปีแปลเป็นโรมันกลับมาเป็นภาษาไทยเป็นยังไง เป็นเรื่องอบายมุคหกถ้าแปลผิดตอผิดมันจะแปลออกมาเปรียงร้อยอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้โยงนะมันออกมาเป็นภาษาว่าอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะหกทางเป็นอย่างไรเล่าข้าบริบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาสุลาและเมรัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะเที่ยวตามจอกซอกซอยเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมานะการพ น, นันคบมิตรชั่วความเกยียดคร้านเหมือนกับที่เราเรียนสมัยเด็กๆ นั้นข้อมูลที่เราเรียนเด็กๆเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลมั่วนะเขาพูดมา2000กว่าปีแล้วอย่างนี้นั้นอาตมาจึงเช็คข้อมูลให้โยมเห็นว่าข้อมูลพระเจ้าเนี่ยลิงก์กันทั่วโลกโยมจะไปเจอในถ้าไหนก็ตามขุดมาพวกเฮ้ยตรงกันตรงบาลีแสรัตนะตรงหมดพระสูตรลิงก์กันพับตรงกันหมดเลยเนี่ยโยมและ ว, วิธีนี่คือวิธีตรวจสอบแบบโลกนะจะมีวิธีตรวจสอบแบบโลกุตละก็คือพระเจ้าบอกคําพระองค์เนี่ยไม่มีการขัดแย้งกันสอนรับกันหมดเลย เช่นท่านบุญท่านเนี่ย question mark ไว้พศหนึ่งไม่รู้บาลีของมอนหรือของประเทศไทยใครลอกผิดผู้เจ้าบอกว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะพร้อสายปฐมฌานทุติยฌานตเตฌานจนถึงสัญญาเวทิตานโิโรธบาลีมอนถึงสัญญาเวทิตานโิโรธบาลีไทยถึงเนวะสัญญานาสัญญาชนะขาดไปหนึ่งสมาธิคือขั้นที่เกตกลงแล้วของไทยหรือของมอนถูกท่านบุญท่านก็ไม่ทราบ แตตมาทราบแล้วเพราะโดยหลักการพระเจ้าใช้หลักการคือคําพระเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้และคําพระเจ้าจะมีคําตอบในกันและการเสร็จเรียบร้อยเราหาไปหามาไปเจอพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายการหลุดพ้นของพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเนี่ยเข้าสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานไล่จนถึงสัญญาเวทิแดนโลดแล้วสญญารีบุตรมีสติเข้ามีสตีออกจนกระทั่งบรรลุเป็นพระหลานนั่นแสดงว่าสัญญาเวทีแดนโลด ใช้ในการบรรลุมรรคผลนผิพพานขั้นสุดท้ายได้เป็นคําตอบให้กับพระสูตรนี้ว่าของไทยลอกตกไปหนึ่งชื่อสมาธิแค่นั้นเองโยมใช้คําพระเจ้ามาตอบคําพระเจ้าได้วยกันเองพระพุทธเจ้าเนี่ยป้องกันวิธีตรงนี้มาแล้วป้องกันความเสื่อมด้วยการพูดซ้ําซ้ําซ้ําซ้ํากันไว้เยอะๆนะและบทพัญชนะที่ซ้ำจะไม่มีการผิดเพี้ยนเวลาเปลี่ยนจะเปลี่ยนดึงมานิดนึงดึงมาหน่อยนึง ให้โยมดูเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานิดหนึ่งการลิงก์กันระหว่างปฏิจจสุบาทกับอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้เจ้าลิงก์กันอย่างนี้ <c oughs> นั้นเราต้องจําบทพันธะผู้เจ้าได้แล้วจะรู้ว่าเฮ้ยผู้เจ้าขดตรงนี้ไปเติมตรงนี้ขดตรงนี้เติมตรงนี้นะโยมจะเห็นว่าผู้เจ้าคมคลายทุกคําพูดเลยและโยมจะยิ่งศรัทธาในผู้เจ้าถ้าโยมจําบทพันธะตรงนี้ได้ตรงนี้คือการอธิบายปฏิจจสุบาตินะ เป็นแพทเทิร์นคำพูดของผู้เจ้ายมดูนะว่าผู้เจ้าบอกว่าตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามธรรมทานนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเดี๋ยวผู้เจ้าจะตัดเชื่อมไปอนิจจังทุกขังนัตตาโดยที่ตัดบันท่า น, นี้ออกแล้วใส่สัพเพสังฆาอนิจจาเข้าไปแทนที่เหลือเนี่ยพูดเหมือนเดิมอะลองดู ตถาคดย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอันนี้แบบฟอร์มที่ยมต้องจําได้อีกอันหนึ่งนะอะลองดูต่อไป <c oughs> นะอันนี้เราเรียกว่าปฏิจจสุบาทน ะ, อะลองดูนี่ผู <c oughs> <c oughs> ้เจ้าตัดเหมือนกันเลยตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาความเป็นกดตายตัวแห่งธรรมดาแทนที่จะบอกอิทัพปัจจตาตรงนี้เปลี่ยน นันย่อมตั้งอยู่อย่างคงตัวว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทียงแลตะตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะปัญญัติสแสดงตั้งขึ้นไว้แพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะดึงบรรทัดนี้ออกบรรทัดเดียวจึ๊บแล้วใส่อันนี้จังเข้าไปแล้วจากนั้นใส่ทุกขังแบบฟอร์มเหมือนกันเป๊ะเหมือนเดิมลองดูแบบฟอร์มคําพูดเหมือนเดิมทุกอย่างตัดบรรทัดนี้ออกไปว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกเห็นไหมที่เหลือพูดเหมือนเดิมนี่แหละสไตล์การพูดพระเจ้า ผู้เจ้าจึงบอกคําพูดของท่านเนี่ยเป็นระเบียบแห่งถ้อยคํายากมากถ้าโยมยังไม่เคยอ่านคํำผู้เจ้าเนี่ยจะแกะไม่ออกนะคือวิเคราะห์คาพูดผู้เจ้าไม่ออกต้องเสพครบนานๆอาตมาอ่านแต่คํำผู้เจ้าอย่างเดียวโชคดีที่อาตมาเนี่ยได้เจอหนังสือท่านผู้ท่าน5เล่มที่ท่านผู้ท่านเนี่ยเอาจากบาลีสยามรัตแต่เอามาเฉพาะส่วนไหนรู้ไหมเอามาเฉพาะส่วนที่ผู้เจ้าพูดเท่านั้นอาตถาไม่เอา อาตมาโชคดีมากเพราะฉะนั้นท่านผูท้ท่านเนี่ยทำนำล่องมาแล้วคือทําเฉพาะคําศาสดา ล, ล้วนเท่านั้นไม่เอาคําอัตกถาเลยนะได้ห้าเล่มแต่เอาเฉพาะอริสัตดีได้อริสัตจับพระโอด์ภาคต้นภาคปลายเล่มละพันกว่าหน้านะปฏิจจสวรรค์อีกพันกว่าหน้าประวัติที่ผู้เจ้าเล่าเองจากปากและขุมทรัพย์คือเล่มนี้คําที่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนพิสูจน์โดยตรง สั่งห้ามหมดเลยนะพระดูหมอดูเลิกดูยามปลูกเสกเลขกยันรรทําน้ํามนต์ผิดหมดนะเป็นศินของพระซึ่งสินของพระทั้งหมด 2,400 กว่าข้อนะถูกบรรจุลงหมดนะเดี๋ยวปลายพรรษาเนี่ยจะออกหนังสือสินของพระระดมพระนั่งนับสินทั้งหมดไล่เลียงในวินัยปิดกแปดเล่มแล้วเอาที่เฉพาะพระเจ้าตัดไว้ผิวๆเท่านั้นสินของพระทั้งหมดไล่ตั้งแต่ข้อแรกไปเลยโยมจะเห็นเลย2400กว่าข้อมหาสาล นะไม่ใช่สองรอยี่สิบเจ็ดนะ อ, อีกพอสมควรนะนะ <c oughs> ใช่หาตัวไม่ได้หาตัวคนบัญญัติไม่ได้เห็นนะคีย์คีย์ให้โยมดูเราจะคีย์คำว่าสิกขาบทสองสองเจ็ดให้โยมดูแล้วให้โปรแกรมสแกนหา <c oughs> สิกขาบท สองสองเจดกดค้นหาไม่พบคำนี้นะแต่โยมลองเปลี่ยนตัวเลขใหม่สิขาบทร5อยห้าหนึ่งห้ากดค้นหานะข้อมูลขึ้นมาละลองดึงขึ้นมาหนึ่งรตรบาลีสยามรัดเล่มที่20สุดุตันตปิฎกเล่มที่12อังคุตะลรนิกายเกรกสูตรที่สหัวข้อที่5้ายิดูก่อนพิสูนทั้งหลายสิขาบทร5อยห้าทุ่นนี้ย่อมมาสูเทศทุกถงเดือนมาสูเทศคือมาสูการสวดทุก กึ่งเดือนทุกสองอาทิตย์เห็นโนะยมเปิดในตำราของมหมามกุฏนิคั่นไว้ให้เปิดเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อ น, นั้นว่าร้อห้าไฮไลท์สีเหลืองไว้ด้วยสีพระสูตรเหมือนกันเปิดมหาจุลาก็เจอนิคั่นไว้ให้เหมือนกันนะเปิดเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อ น, นั้นแต่พระเราไม่ไปอ่านเองไม่ไปศึกษาปัญหาคือตรงนี้เพราะไปศึกษาแต่อธิกถาไม่ศึกษาพุทธวจนะเนี่ยนะคือปัญหาโยม เพราะนั้น <c oughs> มีข้อมูลอีกเยอะนะข้อมูลสินทั้งหมดของพระลองไปดูข้อมูลสินทั้งหมดของพระนะคือตอนนี้พอเรามีคอมพิวเตอร์เราเช็คหมดเลยนะกำลังเคลียร์ทุกเรื่องอนี่ข้อมูลสินของพระทั้งหมดโยมเยอะมากนะนี่คือการแปลของทุกสำนักในประเทศไทยนี่ระบบสินของพระสามระบบการแปลของบ a ิเต็ก c Society เราเช็คไปที่ b a l เ e ็กซด้วยนะ นี่คือข้อมูลด้านวินัยนี่คือข้อมูลด้านธรรมะอาลองดูการแปลของทุกสํานักในประเทศไทยทุกสํานักในประเทศไทยตั้งแต่บาลีสยามรัฐรัชการที่ห้าสิขาบทร้อยห้าสิบมหามงุลสิขาบทร้อยห้าสิบมหาจุลาสิขาบทร้อยหสิบท่านรุทธาสร้อยห้าสิบตัวร้อยห้าสบบาลีใช้คำว่าดยัทสิขาปดาสตัง ดยทะ1กับครึ่งสตังค์คือ10 1คณคือ100นะรยครึ่งคือ150เหมือนกับผู้เจ้าบอกว่าเราบวชเมื่ออายุ30ปีย่อนหนึ่งโดยไว3ยย่อนหนึ่งก็ยนะีิบ9อันนี้ก็คือ150คือบอก1้อยครึ่งนะั้นตัวบาลีก็ชัดเจนนะทุกสำนักในประเทศไทยแปลเท่านี้แต่บาลีเทคโซเซตี้เขาแปลว่า150กกว่านั่นเขาไปแปลแผลงออกไปซึ่งอาตมาบอกว่า โยมัองสวดสินห้ากว่ากวาให้เมาฟังหน่อยสิสวดศินแปดกว่ากว่ามันสวดไม่ได้อ่ะถ้าโยมเป็นพระที่นั่งสวดร้อยห้าิแล้วถึงร้อยหิจะหยุดแค่ไหนเนะหยุดไม่ได้อะโยมเพราะฉะนั้นทุกสำนักในประเทศไทยบอกร้อยห้าสิบทุ่นเป๊ะนะอ่าแต่นี่คือสิกขาบทที่นํามาสวดทุกถึงเดือนอันเป็นสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สิกขาบทสําคัญพระเจ้าจึงให้นํามาทบทวนโดยการปริวิตกของพระองค์เอง มีพุทธวจนะหลองรับทั้งหมดนะไม่มีคําของอัตถกถาอยู่เลยนะส่วนศินทั้งหมดของพระลองไปดูสินสามระบบนะคือตัวนี้ก่อนปฏิโมกปฏิโมกและพิสมาจารย์ก่อนปฏิโมกเนี่ยจะมีสาม้อยหบสามข้อถ้าเราใส่ข้อไปปฏิโมกจะมีร้อยห้าสิข้อตามพุทธวจนะประสุนั้นอภิสมาจารย์นั่งนับกันแล้วได้มากกว่าพันเ้า้อยสี่ิข้อ รวมทั้งหมดแล้วก็มากกว่า2 4 0 0ข้อเหตุที่ฟิกลงไปไม่ได้เพราะจะมีวินัยบางอันใส่ข้อไม่ได้คือเป็นเป็นร้อยแก้วไปนะไม่สามารถใส่ข้อได้เราก็จะแยกกลุ่มตรงนั้นไว้อย่างนี้ไม่มีใครมานั่งเช็คอย่างนี้โยมพังนี้เราทําเองหมดน่นะอาอตมาทาอริวินยัยมีติดมามผังนยอริวินยยัยโยมไม่มีใครเคยทามาก่อนในโลกนะที่ เคลียรเรื่องการระ ง, งับอธิกรณ์ของพระนะคือตัวนี้นะเรามานั่งสรุปอธิกรณ์ทั้งหมดของพระวิวาทาธิกรณ์อนุวาทาอาปัตตากิจจาธิกรณ์วิธีระ ง, งับคือ7วิธีนะวิวาธาธิกรณ์ต้องระ ง, งับยังไงสองคู่นี้คู่กันถ้าอันนี้ระ ง, งับได้ก็จบไปถ้าระ ง, งับไม่ได้ให้ใช้อะไรเยปุยสิกาเสียงส่วนใหญ่ห น, นะสามุขาวิไนคู่กับเสียงส่วนใหญ่ อย่างนี้ตรงนี้อธิกรณ์นี้ใช้สามระบบระบบแรกใช้สองอันคู่กันระบบที่สองใช้สองอันนี้คู่กันระบบที่สามใช้สองอันนี้คู่กันโอ้โหกว่าจะแกะมาได้โยมหลายเดือนมากเลยใช้พระหลายสิบองค์ช่วยกัน อ, อัตมาทำคนเดียวก็ไม่ได้นะผังนี้แก้เป็นร้อยครั้งจนได้ความสมบูรณ์ขึ้นมานะแล้วสามารถเนี่ยลิงไปที่พระสูตรเดิมได้ว่าถูกปิดยังไงตรวจได้เลยนะ นั้น <c oughs> ตรงนี้เราก็ทํากันมาแล้วความผิดของพระเนี่ยจะมีสองระบ บ, ระบ บ, ร, ะ บ, บระบบที่หนึ่งกับระบบที่สองระบบที่1ก็คือพวกปราชิกสังฆาธิเศษขาดจากความเป็นพระอยู่กรรมปงองกบาด้วยวาจาอันนี้เรียกว่าความผิดที่ว่าด้วยปฏิโมกอันยิ่งหรืออาชีวานยิ่งแต่ความผิดตัวเนี้ยหนักกว่าความผิดตัวนี้เรียกว่าความผิดที่ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาคือสอนหนทางผิดปฏิปทาผิด สอนมรควิธีผิดผู้เจ้าบอกจะเกิดผลเสียต่อมหาชนเป็นจนํานวนมากอย่างที่พระธรรมกันอยู่ทุกวันนี้นี่คือสอนมรคและปฏิปทาผิดนะซึ่งผู้เจ้าจะบอกวิธีระงับเนี่ยหอย่างนะก็จะอยู่ในอีกตารางหนึ่งก็คือตัชนิยกรรมคมคูนะหรือตักเตือนนิยสกรรมถอดยศตัดสิทธิ์กลับไปศึกษาใหม่ลดพรรษาเหลือศูนย์กลับไปอบรมใหม่เห็นนะอา่าประาชนียกรรมขับออกจากพื้นที่ปฏิสารนียกรรม กลับไปขอโทษเขาเลยครับแล้วก็อ okay, ุเคปณีกรรมไล่ออกจากหมู่อย่างนี้นี่คือตารางที่เราทํามานะนั้นลองให้ดูภาพรวมลองย่อลงภาพเล็กนะนี่คือระบบการลงโทษระบบที่สองของพระเจ้านะอันนี้ก็นั่งแกะกันยากเหมือนกันแต่แกะมาแล้วโอ้โหพระเจ้าเป็นระบบมากเลยพุ๊บปุนะ๊สามารถสรุปตรงนี้ได้เลยขอแถมอีกชนิดนะครับอันนี้ก็ ก็ค้านท่านไม่ได้ว่าท่านออกมาจากไหนเพราะผมถามไปนิดเดียวท่านตอบมาตอบมาจนผมอึ้งเลยเพราะว่าท่านก็ค้นคว้าจริงๆแต่มีอันหนึ่งแบบชาวบ้านเนี่ยเรียกว่า <c oughs> ที่มีคนเขาสามารถแก้กรรมได้ซึ่งในยุคนี้เนี่ยมีมีคนออกมาประกาศตัวมากแล้วก็สับสนว่าพระพุทธเจ้า ท่านว่าอย่างไงเรื่องการแก้กําที่นอาจารย์บอกว่าอยู่ที่การปฏิบัติเนี่ย<ม>ขอดูสักตัวอย่างสักประสูตรหรืออะไรที่ท่านท่านพูดถึงเรื่องนี้สักเพื่อให้ยืนยันว่าว่าว่าสิ่งที่ที่สังคมไทยเชื่อถือเนี่ยมันไม่ถูกต้องที่แม่ชีอะไรมาบอกให้ทําอะไรอย่างนี้<ม>แล้วก็มีหนังสือทํานองนี้ออกมาเยอะ<ม>แล้วคนก็เชื่อเยอะขอ<ม>ขอแบบให้อาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยว่า แน่นี่พระเจ้าอย่างนี้อยู่ตรงนี้นะ uh huh. อะไรอย่างนี้ uh huh. เราจะได้ uh huh. ไปอธิบายได้ uh huh. ได้ก็ลองดูในมิขสาลาสูตรเมื่อกี้กนิดหนึ่ง <c oughs> อย่างในมิขสาลาสูตรเราจะพอดีพระโคตมาเฉพาะตัวคนะีย์เวิร์ดนะอาเฉพาะตัวคีย์เวิร์ดก่อนก็นไดนะ <c oughs> น้นี่คือนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญของ เรื่องมิขสาราสูตรที่พระเจ้าจะบอกว่าเพราะกระแสแห่งธรรมเนี่ยย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกเห็นนั้นได้นอกจากตถาคตไม่มีใครรู้ได้เลยนอกจากพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็พระเจ้าเนี่ยห้ามประเมินบุคคลบอกดูก่อนอนุนเพราะเห็นนั่นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบเป็นผู้ประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทํำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้จะมีอีกพระสูตรหนึ่งที่ <c oughs> อ่า ออืยังไม่เข้าใจนะครับเนี่ยสี่บรรทัดหลังเนี่ยที่ประมาณในบุคคล น, นี่หมายถึงไปพยากรณ์เขาเหรอหรือไงต้องประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลซึ่งถ้าโยมไปดูในพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าบุคคลผู้ประเมินยากง่ายแล้วก็ประเมินไม่ได้จะมีสามพวกพวกทุศินพวกไม่สำรวมอินทรีย์พวกพูดเพอร์เจอร์วาจาสัจ ส, สายพวกนี้พระเจ้าบอกพวกนี้ประเมินง่ายนะบุคคลผู้ประเมินยากนะ ก็คือพวกที่สํารวมอินทรีย์วาจามีที่ตั้งตามสมาธิพาวนาพวกนี้ประเมินยากอีกอันนึงผู้ประเมินไม่ได้คือพระอาหารหันต์ประเมินไม่ได้ น, นั่นอีกบุคคลสามจำพวกนะแล้ว <c oughs> ถ้าในหนังสือแก้กรรมตรงนี้จะไปเจอที่ผู้เจ้าตัดเรื่องของมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรมสี่อย่างที่เราชาวพุทธเข้าใจผิดกันที่คิดว่าหนึ่งกรรมหรือสุขทุกเกิดจากผู้อื่นบันดาล เราคิดว่าแม่ฉีแก้กรรมได้พิธีกรรมนั้นพิธีกรรมนี้แก้ได้นะหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้หรือพระพุทธรูปนี้แก้อะไรได้จึงมีการไปบนบานสารกล่าวเพราะคิดว่าอะไรเปลี่ยนอะไรได้มันจะเข้าขายมิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรมแบบที่หนึ่งนะคิดว่ากรรมหรือสุขทุกเกิดจากผู้อื่นบันดาลโสดาบันจะพ้นแล้วจากตรงนี้นะผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือโสดาบันเนี่ยไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ของตนเนี่ยทำเอง ก็มีผู้อื่นทำให้ก็มีนะไม่ต้องทำเองเกิดขึ้นได้ตามลาพังอย่างนี้อ่าและในตัวนี้พสดุต ร, ตรงนี้จะมีหลายมุมมากเลยอันนี้เป็นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งจะบอก4อย่างคือ1กรรมเนี่ยเกิดจากผู้อื่นบันดาลสองกรรมหรือสุขทุกเกิดจากตนเองบันดาลสามกรรมหรือสุขทุกเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นสี่กรรมหรือสุขทุกเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุนะ นี่คือสีมิจฉาทิฏฐิที่พระโสดาบันจะต้องละได้เวลาคิดว่าผู้อื่นบันดาลมันจะเกิดการบ่นบาลสารกล่าวขึ้นเวลาคิดว่าตนเองบันดาลนั่นคือความเข้าใจผิดในเรื่องปฏิจจสุบาทคนคนนั้นไม่ศึกษาปฏิจจสุบานจะคิดว่าตัวเรามีจริงๆตัวเราไม่มีตัวเราเป็นเพียงกระแสธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นนะและเมื่อเข้าใจผิดทั้งสองอันนี้จะเกิดมิจฉาทิฏฐิแบบที่สและแบบที่4คิดว่ากรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยไม่มีสาเหตุ เนี่ยตรงนี้จะมีพระสูตรหมดในหนังสือนี้จะมีบอกไว้ให้หมดรวบรวมไว้ให้แล้วนะอ่า <c oughs> เอามีพระสูตรนี้อ่าลองขึ้นพระสูตรให้ดูนะผู <c oughs> ้ชาติจะดัดว่าอริยะอัตถังคิกามัคนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธคารมินีปฏิปทานะคือตัวพระสูตรนี้นะกรมมะคือกรรมนิโรธแปลว่าดับนะ คาไม่ได้ปฏิปทาปฏิปทาคือหนทางดำเนินไปเพื่อความดับของกรรมอย่างนีนะ้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือนะสมมาธิฏิถึงสมาสมาธิพระสูตรคือตัวนี้นะคุนโยมก็สามารถสแกนได้ในโปรแกรมแผ่นนี้หรือว่าในแท็บเล็ตตัวนี้นะซัมซุงเนี่ยนะเราปัญจุ ข, ข้อมูลพวกนี้ให้หมดแล้วนะโยมเข้าไปใน a อ d ดร i d m a มา e t ตนะแล้วก็เซิร์ ใช้คำว่าพุทธวจนะหรืออ e ีเตปิตกะนะก็สามารถโหลดมาติดตั้งในเครื่องของโยมได้แล้วก็สแกนวินาทีเดียวก็เจอแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวก็เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับมารับหนังสือนะฮะจากท่านพระอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะขออนุญาตถ่ายรูปรวมกันนะครับมรวมสักหนึ่งรูปนะครับครับสักครู่นะครับ